อาจารย์ครับกลาวละวสการครับจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เราจัดรายการเป็นครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับอาจารย์ครับก่อก่อนเข้ารายการขออนุญาตอาจารย์ถามว่าเช้าบินธบารดมีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับวันนี้ก็สี่ร้อยี่สิบคนอ๋อตามปกติประมาณสี่ร้อยเศษเศษครับแล้วตั้งทําเยอะไหมครับอาจารย์ครับ ที่กติก็ร้อยแปดสิบอันนี้รวมกันทั้งหมดก็เก้าร้อยกว่าครับผมวันนี้ผมได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองไปฟังด้วยนะครับอาจารย์พระอาจารย์รู้ไหมครับไปที่าาฟังที่หน้าปกติน่ะใช่ครับผมท่านไม่ได้เข้ามาบอกเข้ามาเลยไม่มาไมาปรากฏตัวให้ทราบครับท่านส่งรูปพอาจารย์มาให้ผมดูครับเพราท่านมาฟังมาแอบฟังถามท่านว่าท่านเคยไปกราบพระอาจารย์เมื่อ นานมาแล้วทีหนึ่ง ท, ท, ที่บนเขาเลยเพื่อจะที่บนเขาครับผมท่านถามผมผมก็เลยบอกว่าอาจารย์อยู่หน้ากูดท่านวันนี้ท่านก็เลยตามไปครับผมอืมอาจารย์ครับเมื่อกี้มีคนเพิ่งคอมเมนต์บอกว่าเขาเป็นเป็นผู้ฟังแต่ว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่สี่ครับอาจารย์ครับอืมคนเราทุกคนก็ต้องเจ็บกันแล้วก็ต้องตายกันไปในที่สุดดันั้นเราต้อง เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นี้ให้ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติครับร่างกายแบบไม่ต้องทุกข์กับมันได้อาจารย์ครับวันนี้ก็เลยกราบเรียนขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องกรรมครับว่าทําไมกรรมถึงทําให้สัตว์แตกต่างกันและแม้แต่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับ ถ้าเปรียบเทียบใจเราก็เป็นเหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนที่เขามาปั้นที่นับปั้นรูปต่างๆเขามาปั้นกันปั้นให้สวยงามให้เป็นให้เป็นเทวดาก็ได้ให้เป็นมนุษย์ก็ได้ให้เป็นสัตว์เดรละฉานก็ได้อยู่ที่คู่ปั้นคู่ปั้นใจเราก็คือการกระทำของใจเองนี่แหละที่แบ่งเป็นสองฝ่า ย, ฝ, ายฝ่ายที่ฝ่ายที่ปั้นให้ประเทศก็เรียกว่าบุญ ไปที่ปั้นให้หยาบให้ต่ำแซมก็เรียกว่าบาปบุญและบาปเนี่ยเป็นผู้ปั้นให้จิตใจตังแต่ละดวงนี้เป็นเป็นมีสถานภาพต่างกันไปถ้าทําบาปก็จะปั้นให้ใจไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างถ้าบุญบุญก็จะปั้นให้ไปเป็นเนทเวดา แล้วถ้าอยากจะให้ปั่นสูงอเทวดาก็ต้องใช้การชำระจิตใจคือการปฏิบัติจิตถภาวนาถ้าเราภาวนาสมถะภาวนาคือทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเราก็ปั่นใจให้เป็นพรหมเราถ้าเราต้องการจะปั่นใจให้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาขันที่สอง นี่แนะคือการกระทําต่างๆอันนี้ที่เราเรียกว่ากรรมเป็นฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปถ้าทําบาปมันก็ต้องก็เหมือนกับปั้นให้มันเป็นเป็นเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่นะั่นอยู่ที่ที่การกระทําของเรากรรมก็แปลว่าการกระทํามีอยู่สามกายกรรมวิมชีกรรมมโนุกกรรม แต่ผู้ที่กระทํากรรมจริงๆ ก, ก็คือมโนกรรมคือใจผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆร่างกา ย, ยานั้นเป็นเพียงแต่ผู้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาตแต่อย่างใดแต่ใจนี่เป็นผู้รับผลบุญผล บ, บาตรคือได้ทั้งความสุขและความหรือความทุกจากการทําบุญหรือทําบาตทันทีเวลาทําบุญใจจะเกิดความอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมา เวลาทำบาปใจก็จะเกิดความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาแล้วก็สะสมม้ในใจไปเรื่อยๆแล้วก็ปั้นใจให้ให้อยากให้ละเอียดไปด้วยอำนาจของบุญและบาปนี่เห็นแม้แต่สัตว์บางทีก็ดูน่ารักน่าเกียดต่างกันนะครับยังเป็นหมาก็ยังดูแตกต่างกันเยอะเลยนะครับอาจารย์อันนี้ก็เขากรรมของเขา ใช่เขาอาจจะทำบุญมามากน้อยต่างกันไปแล้วบางครั้งช่วงที่บาปของเขามากกว่าบุญเขาก็ต้องมารับกรรมของการเป็นสัตว์โดยอาจารยา์แต่เนื่องจากเขาอาจจะมีบุญทำบุญมามากสัตว์ตัวอื่นนมันก็เลยทําให้เขามาเป็นสัตว์ที่น่ารักกว่ตัวอื่นก็ได้มันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าไปอย่าไปพยายามวิเคราะห์มันให้มันละเอียดเลยมัน มันยากสำหรับปุถุชนอย่างพวกเราอาจินไตยก็คือในเรื้อความความคิดของพวกเราที่จะคิดถึงได้อจินไตยมีอยู่สี่เพื่อนหนึ่งก็เรื่องเรองความสามารถของพระพุทธเจ้าอย่าไปวิจัยวิเคราะห์อะไรพระพุทธเจ้าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็เรื่องของฌานต่างๆแล้วก็เรื่องของกรรมแล้วก็เรื่องของของโลกโลกจักรวาลนี้ เป็นเรื่องที่มันเกินความสามารถความนึกคิดของสัตว์โลกที่จะไปเข้าถึงได้อย่างละเอียดก็ให้ทราบเป็นงข้าวๆแล้วกันว่ากรรมมันก็มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆก็คือบุญและบาป ท, ที่ส่งผลทางบวกและทางลบให้กับจิตใจคือกรรมมันมีอีกประเภทเรียก ว, ว่ากรรมที่เป็นกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปอันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปั้นให้จิตใ จ, จดีขึ้นแลอเร็วลง กรรมที่ไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเช่ น, นอะไรคือการกระทําที่เราทําให้กับตัวเรากับร่างกายของเราเช่นอาน้ำนัำ่งน้าแปลงฟารนออกกำลังกายนี่เป็นการกระทําที่ไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษกับผู้นั้นเราก็เรียกว่ากรรมที่เป็นกลางๆก็จะไม่ทําให้สถานภาพจิตใจสูงขึ้นหรือต่ําลงแต่ถ้าทํำบาปไปทําให้สร้างความเสียหายเดือดร้อนกระเพื่นนี้มันจะทําให้สถานภาพของใจต่ําลง ในตอนที่ใจเราเป็นมนุษย์กันเมื่อเราทําบามันก็จะเคลื่อนลงสู่อาบายทันทีที่เราเล็กเทียบน้อยถ้าเราทําบุญมันก็จะเคลื่อนขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นไปตามลําดับของกําลังของบุญที่เราทำไปถ้าเราไปปฏิบัติทํามไปภาวนาเราก็ขึ้นไปสู่ขั้นพรหมถ้าจเจริญวิปัสสนามเกิดปัญญาเมนองตาเห็นธรรมก็ไปขั้นพระอริยบุ อยู่ที่ตัวเราพระพุทธศาสนาสนาี่เปลี่ยนเหมือนกับร้านอาหารตามสรรมั่งมีเมนูให้ผู้ที่มารับประทานอาหารเลือกได้ต้องการอาหารชนิดไหนก็เลือกออกได้ศาสนาไม่สามารถที่จะบังคับให้เราทําบุญหรือไม่ทําบาปได้เพียงแต่ยื่นเมนูรายการอาหารให้พวกเราดูว่าคุณต้องการเป็นอะไรคุณต้องการเป็นสัตว์ในราชฉานถ้าคุณไปทําบาปด้วยความหลงด้วยความคิดว่าไม่ผิด เป็นคนที่ทำมาหากินเนี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นของเขาที่เขาจะต้องทำถ้าไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เปจะทำอาชีพค่าเป็ดฆ่าไก่ค่าวัวค่าควายฆ่าปลา อ, อะไรต่างๆเหลนี้เพราะมันเขาคิดว่าเป็ น, ปนการเลี้ยงชีพของเขาอันนี้ก็จะพาให้เขาไปเป็นสาานัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานก็คิดแบบเดียวนสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ได้ก็เพราะการ ฆ่ากันกินสัตว์ใหญ่กินสัตว์ น, ตน้อยถ้าอยากจะเป็นเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยก็ทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆคอรับชันโกงกินบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะว่าได้มามากน้อยเท่าไหร่ไม่อิ่มไม่พอความโลภมันไม่ทําให้เกิดความอิ่มตราให้ได้กี่แสนล้านก็มันก็ไม่อิ่มไม่พอ มันก็อยากพอพอตายไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยแต่ไม่สามารถไปหาสิ่งที่มันเคยหาได้ไม่เคยไปหาเงินหาทางองทับตอนที่มีร่างกายได้มันก็จะหิวโหยกลายเป็นดวงวิญญาณเหมือนที่ขอทานต้องมาคอยรารับส่วนบุญกุศลของผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วดวงวิญญาณในประเภทนี้ก็เรียกว่าอสูรกายนี้ก็เป็นพวกที่ทําบาป ด, ด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขามาทำร้ายก็เลยไปทําร้ายเขาก่อน นูเข้าบ้านก็ก็ตีหัวมันตายเลยเพราะสัตว์ได้หลงก็้ามาในบ้านที่เป็นพิษเป็นภยัยก็ฆ่ามันเลยเพื่อป้องกันตัวเราเองอันนี้ก็จะเป็นน้องจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวแล้วถ้าเป็นทําบาปด้วยการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมฟันต่อฟันตาต่อตา อ, อ, อันนี้ก็จะไปนรกนะเพราะความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นเหมือนไฟ ที่ร้อนที่สมหัวใจอันนี้คือเมนูของเท่าพุทธศาสนาเราโชคดีที่เรามาเจอร่างอาหารที่มีเมนูให้เราเลือกได้ถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่แนวพพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าการกระทำของเรานี้จะมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไรเลยตอนนี้เรามีมเมนู ม, มีมีแผนที่ ที่จะบอกเราว่าต่อไปเราจะไปไหนต่อเพราะใจเราไม่ตายไปกับร่างกายนะใจผู้กระทำบุญหรือบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจใช้หร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนรถยนต์คันหนึ่งหรือปืนกระบอกหนึ่งปืนที่เขาไม่รู้ว่าเขาทําคุณประโยชน์หรือทำโทษนะถ้าเอาไปป้นไปฆ่าคนที่เขาถูกถูกยีถูกป้นก็ทําบาป ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่าตำือจไปป้องกันไม่ให้โจรสู้ร้ายมาทําร้ายผู้อื่นมันก็เป็นบุญนะแต่ผู้ที่รับผลไม่ใช่อยู่ที่ที่ปืนปืนไม่ได้รับผลบุญหรือผลบาปจะกลายใช้ปืนผู้ที่ได้รับผลบุญผล บ, บากปก็ผู้ที่ใช้ปืนเหมือนการใายผู้ใช้ร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทําบุญและทำบาปแต่ร่างกายนี้ไม่ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผล บ, บ, บาป ร่างกายตายไปร่างกายก็กลับเกินสู่สภาพเดิมคือธาตุสี่นิน้ำลมไฟส่วนผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือท่านรู้ก็คือใจที่เวลาไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่เวลาผลบุญผลบาปอยากจะรู้ว่าบาปบุญเป็นยังไงผลบุญผลบาปเป็นยังไงก็ดูตอนที่เราตายแบบโชกควเราตายแบบชโชกควทุกคืนเลยตอนที่เรานอนหลัาเนี้ย เวลานอนนอนหลับร่างกายก็เหมือนคนตายเราเพราะเราไม่ใจไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรได้เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนใจก็เลยอาศัยบุญหรือบาปมันผู้มาสร้างเรื่องราวต่างๆให้ใจได้เสพเพราะใจหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถพะมีกามาตัณหาเมื่อไม่สามารถใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปได้ก็เลยอาศัยความจําเก่าที่ได้ทํามาได้สะสมมากรรมุญแจมต่างๆ กรรมดีกรรมชั่วที่มันก็อยู่ที่ว่ากรรมอันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะส่งผลให้เราฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆเพราะเวลาเราไปทําบุญเราทําแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าเราบาปมันมีมากกว่าบุญบาปมันจะเป็นผู้กลับกับให้เราฝันถึงฝันไม่ดีเพราะบาปที่เราไปทําำนั้นมันทํามีแต่เรื่องที่ไม่ดีเลวร้ายฝังอยู่ในใจเรา นี่แหละคือสภาพของดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนหลังจากที่ไม่มีร่างกายแนละ้วก็เหมือนเราเข้าสู่แดนเนโรมิตแดนแห่งความฝันเพราะเราไม่สามารถใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกมาสัมผัสได้ก็เลยต้องอยู่ภายใต้อำนาจของบุญลบาป ท, ที่เราทำไว้ตอนที่เรานอนหลับเราไม่มีสติคอยควบคุมบุญหรือบาปมันโผล่ขึ้นมาตามกำลังใครมีกาลังมากกว่ามันก็จะส่งผลก่อน ถ้าาบุญเมื่อบาปนี่เหมือนพวกวัวที่อยู่ปากคอกเนี่ยตัวไหนที่ใหญ่กว่ามันก็ไปรออยู่ที่ปากคอกก่อนพอเปิดคอกป้ามันก็กระโจนออกมาทันทีนั่นถ้าอยากจะรู้ว่านาะคของเราว่าเราจะเป็นอะไรก็สังเกตดูความฝันของเราก็แล้วกันถ้าเราฝันดีหรือฝันได้ฝันด้วยความหิวโหยนี่มันก็ไปเป็นเปรตฝันเรื่องเรื่องที่น่าหวาดกลัวก็จะไปเป็นอสูรกาย ถ้าฝันด้วยความอาฆาตพยาบาท ต, ต่อสู้กันฆ่าฝันร้างแคนกันก็จะไปนรกถ้าฝันด้วยการากินสัตว์เล็กินสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่อะไรก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานครับคุณพระอาจารย์ครับจะบอกเพื่อนๆว่าสามารถจะส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับขอโอกาสกับอาจารย์ครับ แต่คนหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับถ้าเราเบิกเงินผู้สูงอายุออกมาเลี้ยงดูเขาจะบาปไหมครับไม่ใช่ไม่ทราบว่าหมายความว่ายังไงถ้าเป็นเงินของผู้สูงอายุแล้วเราเอาเงินของเขามาเลี้ยงดูเขาก็ไม่บาปเราเราช่วยทําหน้าที่ให้เขาก็าอาจจะไม่สามารถไปเบิกเงินมาได้แล้วก็ไปเบิกมาแล้วก็เอามาใช้เลดูเขาแต่ทางที่ดีคนจะได้รับการอนุญาตจากเขาก่อนดีกว่าถ้าเป็นไปได้ ถ้าเขาสั่งว่ า, าช่วยไปเบิกเงินมาให้หน่อยน่ามันนี่มาใช้จ่ายกับค่าการเลี้ยงดูดูแลก็จะได้ไม่ไม่มีข้อสงสัยว่าเราไปเราไปมีนอกมีในหรือเปล่าเพราะเราทําตามคําสัง่งทําตามอนุ ญ, ญาตของเจ้าของเขาแต่เราไม่ได้บุญจากการใช้เงินก้อนนั้นเพราะไม่ใช่เงินของเราเราจะไม่บุญจากการรับใช้คนคนจลาคนนั้น เราขาทำเองไม่ได้เราก็เลยเป็นผู้มารับใช้เป็นมือรัวอย่างกันตัวเราไม่ใช่ของเราจิตเป็นของเราไหมครับไม่เป็นจิตเป็นธาตุรู้เหมือนกับร่างกายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติเพียงแต่ว่าใจมันมีความคิดแล้วมันไปคิดหลงคิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นว่าเราคิด เรารู้ก็ขึ้นมาท่านเองเป็นเหมือนการแต่งนิยายของใจเราเวลาแต่งนิยายเราแต่งอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่งเรื่ อ, องคนนั้นเป็นเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นขอทานมาพบปะกันเป็นเพื่อนกันเรื่องอะไรกันเราก็แต่งได้ไปหมดอันนี้คือจินตนาการของจิตจิตมันกาไปจินตนาการไปคิดว่าผู้รู้คือเราเรารู้ผู้คิดก็คือเราคิดก็เลยกลายเป็นโตเป็นตขนขึ้นมา แต่คนยินมันแค่เป็นผู้เป็นความคิดเป็นความคิดความรู้การรับรู้เท่านั้นเองเป็นธรรมชาติที่สามารถรับรู้ได้คิดได้มีความรู้สึกได้สามารถเชื่อมกับร่างกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นแลจากตาหูจมูกทีนกายของร่างกายมามาได้นี่คือความสามารถของท่านรู้ลูกค้าโกงเงินซื้อของแล้วไม่จ่ายกรรมของเราหรือกรรมของเขาครับ อเขาโกงก็เป็นบาปของเขาเสิก็ไม่จ่าย ก, ก็เป็นบาปของเขาเราไม่ได้ทบาบาปอะไรอย่างนี้แปลว่าอาจจะเป็นเพราะเราเคยไปทําเขามาก่อนด้วยไหมครับอาจารย์อันนี้ก็อาจจะเป็นได้ถ้าก่อนเราอาจจะเคยไปโกงเขามาก่อนหรือไปโกงคนอื่นก็ได้ไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเขาก็ได้อพอถึงเวลาที่มันจะส่งผลมันก็ส่งผลมาให้กับเราหรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะมันไม่ใครสามารถวิเคราะห์ได้อย่างที่เราพูด ทางที่ดีคือดูวความจริงก็แล้วนะตอนนี้เงินไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราแล้วมันไปเป็นของคนอื่นแล้วถ้ามันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเองถ้ามันไม่กลับมาก็ถือว่ามันไปแล้วเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องต้องจากกันไปหมดร่างกายของเราวันหนึ่งก็ต้องเราก็ต้องจากมันไปครัเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังเงินที่ไปนี้ก็เรียกว่าเสื่อมราบเนี่ยเวลาได้เงินมาแล้วก็เรียกเจริญราบ เวลาสูญเงินไปแล้วเรียกเสือ่อมราบให้มองตามสัจธรรมความจริงดีกว่าว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เทีย่ยมมีมาแล้วก็มีไปเป็นธรรมดาหลวงตาครับถ้าเกิดคุณยายลื่นล้มที่คุณยายลถต้นไม้อยู่แล้วผมนั่งพักเหนื่อยอยู่ผมจะถามว่าคุณยายลื่นล้มแล้วผมไม่ได้ดูคุณยายบาปไหมครับไม่บาปแล้วไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ย เป็นเรื่องของุบัติเหตุของคุณยายเองคุณพ่อเสียชีวิตไปได้สามสัปดาห์ยังทำใจไม่ได้ครับมีวิธีไหนบ้างครับก็ใช้สติพุโทโธเนี่ยเวลาคิดถึงคุณพ่อก็ปใา้พุโทโธพุโทโธตอนนี้นะอย่าไปคิดถึงท่านเพราะคิดทีไรมันจะทำให้เราเศร้าแต่สักพักแล้วหลังจากเวลาผ่านไปแผลที่ที่เจ็บในใจมันก็จะหายต่อไปเราคิดถึงคุณพ่อได้ แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไมคิดเวลาคิดถึงมึงพอเราทําให้นับเศร้าก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดได้คุณแคทครับเมื่อเราอายุมากแล้วพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ไม่อยากจะหาอะไรทําเพิ่มต้องการความสงบด้านจิตใจได้มีเวลาถือศีร น, นั่งสมาธิมากขึ้นแต่ที่จะลดน้อยลงคือเรื่องทานที่ต้องใช้เงินทําได้น้อยลงควรคิดอย่างไรจะได้ไม่กังวลเรื่องทานบารมีครับ อ, อ๋อก็ทา น, นเป็นขั้นบันไดขั้นแรกในการที่จะทำให้เราเข้าไปสู่การภาวนาถ้าเราสามารถภาวนาได้เราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องทำบุญทำทานอย่างพระที่มาบวชนะท่านก็ไม่ทำบุญทำทานนะท่านเอาเวลามาให้กับการภาวนาที่จะทำให้ได้บุญมากกว่าการทำบุญทำทาน ถ้าเรามีเงินมีทางเราจําเป็นจะต้องเก็บไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราอันนี้ก็เก็บไว้ได้เพราะเราไม่ได้เป็นนักบวชเรายังต้องเลี้ยงตัวเราเองอยู่เราก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราสมัยนั้นที่เราปฏิบัติเป็นคาราวานอยู่ปีหนึ่งเราก็มีเงินหกพันเราต้องเก็บไว้ไม่ได้ทำบุญไม่เคยส่บาสักวันเลยก่อนมาที่ไม่เคยสายบาสักวันไม่เคยสายบาสใีวิตนี้ไม่มีโอกาส ตอนเป็นเด็กๆ ก, ก็ไม่มีเงินทาน ท, ท, ท, ท้องที่อาศัยบาตรพอกลับเนี่ยมันกลับมาจากจบมาก็ต้องมาทํางานก็มันก็มีมีรายจ่ายรายจ่ายแล้วต้องใช้มันก็ไม่พอที่จะไปทําบุญไม่เคยทําบุญเลแต่พอถึงเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มีเงินก้อนที่เหลืออยู่เนี่ยจากการทํางานก็มาใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงยู่ ก็เพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติทรอย่างนี้ไม่เป็นบาปไม่ไม่ไม่เป็นอไม่เป็นการสร้างภพชาติ<ม>ถ้าใช้เงินเพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปแต่ถ้าใช้เงินตามความอยากอยากเสพรูปเสียงกลิดนด่นรสก็เอาเงินนี้ไปเสพอันนี้เป็นการสร้างภพชาติให้มากขึ้นเพราะเหมือนไปซื้อยาเสพติดพอซื้อยาเสพติดมันก็ติด เราก็ตงไปซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อความสุขจากเรูปเสียงกินลดอยู่เรื่อยๆงั mm ้น hmm. ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทําทานแล้วเราสามารถรักษาศีลภาวนาได้เราก็ไม่ต้องกังวลเราได้ทําทําบุญที่สูงกว่าที่มีประโยชน์มากกว่าการทําบุญทําทานอาจารย์ครับนี้แสดงว่าเมื่อก่อนก็คือทําศีลกบภาวนามาเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่ได้ทําทานไปเยอะอยู่ดี ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็เลยไม่ไม่เคยร่ำรวยกับเขาไม่ไม่เคยมีทรัพย์ที่จะไปทำรวทําฐานมีพอเลี้ยงปเลี้ยงทองนั่นเองบางทีไม่พอใช้ด้วยทําไปตอนที่ไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเงินไม่พอใช้ต้องต้องอดต้องกินข้าววันละมื้อตอนที่ไปเรียนองเซียอยู่ช่วงเนี่ยเงินไม่พอใช้พอไปซื้อรถรถต้องผ่อนรถแล้วเหมือนก็เลยเงินไม่พอมาจ่ายค่าอาหาร เหลือเหลือวันละเหรียญเดียวเดือนสามสิบเหรียญจะไม่สำหรับค่าอาหารก็กินได้แค่วันละมือัหนึ่งก็ยอมอดทนไปแต่ทนไม่ไหวถ้าพักหนึ่งก็เลยต้องไปหางานทํามาไปทํางานที่ร้านอาหารเขาให้อาหารฟรีกินก็เลยสบายขึ้นหน่อยแต่ต้องไปเป็นคนนัางชามทํางานนัางถ้วยนัางชามแต่ได้กินอาหารฟรีสามมือ้อก่อนทํางานก็ให้กินฟรีกินทําไปสี่ยีโมงพักเขาให้กินอีกครัน ก่อนจะเลิกก็ให้กินอีกครั้งนึงก็เลยอิ่มสบายขึ้นมาแต่เราอยู่แบบยากจนมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเงินนู่ี่ทองอาจจะเป็นพ่อเราไม่มีทานบา ร, รมีมา ก, ก็ได้ถ้านอนไม่เคยทําท่านมาแต่เราอ่า น, น ไ, ได้ขันติบา ร, รมีแทนก็ได้อ่านได้ขันติความบา ร, รมีได้ความพยายามได้ความเพียรพยายามพึ่งตนเองพยายามหาเงนินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เล็ก ตอนเด็กๆนี่ไปขายซาลาเปาขายปลาท่องโกโะน่ะก่อนจะไปโรงเรียนตอนเช้าเดินแต่เช้ามื่อเนีแต่ตอนนี้พี่อาจารย์ทำทานมากกว่าผมอีก <laughs> มันก็เป็นเรื่องของเป็นมั น, ม, นมันก็มาก็ไปเพราะเราไม่ได้ถือว่ามันเป็นมันเป็นประโยชน์กับเราถ้าเกิดไ ม, มันก็จะเป็นโทษกับเราเสียมากกว่าเราก็ไปทำบุญทำประโยชน์ดีกว่า แต่ก็ไม่ได้วิบวิไปหามันไม่เคยคิดที่จะหาเงินหาทองมาบวชนี่ก็คิดแต่จะหาธรรมอย่างเดียวหาการหลุดพ้นับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปผมก็ยังไม่เคยเห็นใครทำทานมากเท่าอาจารย์เลยโ <laughs> อ, อกาสครับอาจารย์บอกว่าดูแลพ่อแม่ที่แก่มากแล้วบางทีเราดูเขาเราบาปไหมครับ ไม่กวรดูพ่อแม่เรอะเพราะพ่ อ, พอแม่ท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากท่านจะพูดอะไรก็พูดดีๆได้ขอร้องและบอกท่านว่าอย่าทําอย่างนี้นะครับมันเป็นมันไม่ดีสำหรับร่างกายแต่ถ้ามันบอกไม่ได้ก็อย่าบอกก็ได้เพราะพ่ อ, พ อ, พอผู้ใหญ่บางทีเขาถือว่าไม่อยากจะให้เด็กมาสั่งสอนเราเป็นเด็กเราก็อยากไปสั่งสอนผู้ใหญ่ยงเว้นว่าถ้าท่านมาถามเราเราก็ตอบได้บอกท่านได้ แต่ถ้าอยู่ดีๆท่านมาถามเราบอกเราเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรดีกว่าปล่อยให้ท่านอยู่ตามอัตยายาใจของท่านทําไมในครอบครัวที่ไม่ตรงต่อกันไม่ซื่อสัตย์ต่อการฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนครับไม่ทราบเหมือนกันท่านจะเป็นเรื่องของสังคมโอ้สังคมนี้ผู้ฝ่ายหญิงนี่จะถูกมีข้อกำจำกัดมากกว่าฝ่ายชาย ฝ่าชายนี่สามารถออกไปทำอะไรต่างๆได้แต่ฝ่ายหญิงนี่ทําไม่ได้ก็เพราะสังคมเขาไม่ยอมรับเขายอมรับให้ผู้ชายไปทําผิดศีลได้แต่ไม่ยอมรับให้ผู้หญิงทําผิดศีลเรืนเรื่องของสังคมทําความดีทุกวันแต่จะประคองจิตอย่างไรถึงจะได้ไปดีหลังความตายครับว่าทำไปเรื่อยๆไงทำไปเรื่ อ, อยพยายามทําทำทำถ้าทําได้ ทัดทำบุญทุกวันไม่ต้องทํามาก ท, ทําเท่าที่เราทําได้ที่เราแรกเทาน้อยแต่ทาให้มันติดเป็นนิสัยแล้วก็พยายามรักษาสีหน้าให้ได้ทุกวันทุกเวลาทําได้สองอย่างนี้ก็ไปสวรรค์ได้อย่างสบายนะ้วคุณโยโย่ครับอาจารย์ให้ข้อคิดเด็กๆน้องๆองบางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้อยากเกิดในครอบครัวที่ยากเข็นเป็นความต้องการของพ่อแม่ที่ทําให้เขาเกิดมา กราบขอหลักทําให้น้องๆเหล่านี้ครับคือเรื่องของการความต้องการของพ่อแม่เขาไม่ต้องการลูกแบบเขาต้องการเสพสุขจากการร่วมเพศกันแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่ฉลาดเขาไม่รู้วิธีทำคุมกำเนิดมันก็เลยทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาแต่ความจริงเขาไม่อยากจะได้ลูกหรอกดีไม่ดีพ่อแม่บางคนได้ลูกมาก็เอาไปทาแท้งก็มี เขตั้งคันแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะมารับภาระเขาก็ไปตั้งครันแต่พ่อแม่แม่ที่พยายามอดทนเลี้ยงลูกตั้งท้องมาแล้วก็เอาไม่อยากจะทําบาปเพราะอาจจะเป็นคนที่ถูกสอนมาไม่ให้ทําบาปก็เลยยอมอดทนต่อการที่จะต้องแบกท้องแล้วเมื่อออกมาก็ต้องแบกภาระเลี้ยงดูเด็กนะถึงแม้่าจะไม่ต้องการแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แบบตกกระไดพลอยโจนไปน จ่ว่าเขาไม่มีบุญคุณไม่มีเขามีถ้าเขาไม่มีบุญคุณเขาก็ไม่ต้องเลี้ยงเราเขาก็ไปทำแทง้งเสมันก็จบมันก็ไม่มีไม่มีบุญคุณต่อกันแต่เมื่อเขาเลี้ยงเราอุ้มท้องเราคขาให้ให้เราอาศัยอยู่ในท้องเขาถึงเก้าเดือนเลียงเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมีแต่กินอย่างเดียวอาหารที่ได้มาจากสายสะดือเก้าเดือนเอ น, นี่ยแล้วออกมาก็เลี้ยงต่ อ, อจกกนกระทั่ง ตัวจะกระด้างสามารถเลี้ยงตัวเองได้เขาถึงจะหยุดเลี่ยงเราตอนนี้มันเป็นบุญคุณดนะังนั้นอาจจะจะปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญคุณไม่ไดแ้แต่จะว่าเขาอยากจะได้เราหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึง่งเขาอาจจะไม่อยากได้เราก็ได้แต่เมื่อเขาได้เรามาแล้วเขาอย่างไรเขามีมนุษยธรรมก็มีศีลธรรมก็มีความเมตตาเขาก็เลยทําตามหน้าที่ของเขาก็คือต้องเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขา ส่วนเ่าจะ ม, มีความกระตันอยู่กับเขาหรือไม่หรือต้องการทดแทนบุญกับเขาหรือไม่เขาไม่คิดอย่างนั้นพ่อแม่เขาไม่หวังอะไรจากเราหรอกแต่มันเป็นเรื่องของของคุณคุณธรรมของคนดีของคนที่มีสํานึกจิตสํานึกในพ่อคุณของผู้อ่นเมื่อมีผู้ที่มาทำบุญกับเราถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะตอบแทนบุญกับเขาบ้าง แต่ก็ไม่เรียกร้องนะผู้ที่เขาเลี้ยงดูเราเพราะแม่ก็ไม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนเรียกร้องเยาทวทวงทวงบุญคุณจากลูกเราเลี้ยงด้วยความเมตตากรุณ า, าจริงๆแต่ความเมตตากรุณาของท่านเนี่ยเราควรจะสํานึกและควรจะคิดตอบแทนบุญคุณของท่านนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้พระมารดาคลอดแไม่ได้เลี้ยงดูท่านเจ็ดวันพระมารดาก็เสด็จสวรรคตแต่พอพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มี พังจิตสามารถที่จะค้นหาดวงวิญญาณของพมันดาได้แล้วเมื่อได้ค้นพบแล้วก็ปวดแสดงธรรมอยู่สามเรือนด้วยกันตนบรรลุเป็นพระโสดาบันคนระดับพระพุทธเจ้ามีมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำไมยังต้องเอามาชดใช้บุญคุณกับแม่ของตนเพราะท่านสำนึกในบุญคุณอันประเสริฐของแม่ถ้าไม่มีแม่ท่านจะท่านจะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้อย่างไร ท่านจะมาออกบวญแล้วตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรคนเราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลสิอาชีมาของเรามาจากที่ไหนกันก็พูดได้แค่นี้แหละไม่ทราบว่ามาเกิดไปน้อยเกิดไปแล้วเปล่ากำเนว <laughs> ิบากกรรมของคนที่ใส่ร้ายทำให้คนดีๆมีคุณธรรมจนเขาบ้านแตกโดยที่เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยจะมีอะไรบ้างครับ ก็เหมือนกันนะเหมือนส่องกระจกอะกระจกมันเป็นยังไงมันก็จะกลับมาหาเราอย่างนั้นเรายิ้มให้กระจกกระจกมันก็ยิ้มให้กับเราเราแยกเขี้ยวใส่กระจกกระจกมันก็แยกเขี้ยวใส่เราเราไปทําน้อยพูดเดี๋ยวก็ภาพที่เราทำน้อยพูดมันก็จะกลับมาหาเราทุกอย่างมันจะกลับมาสับเท้ากลับมาหาเราทุกอย่างที่เราทํายันทําอะไรไว้ก็จะกลับมาหาเรากอรจำกงเกวียน เพงแต่อา จ, จะไม่ชาตินี้ก็ได้อาจจะอาจจะเป็นชาติต่อไปก็ได้ไม่มีใครรู้คนที่เขาถูกทําร้ายก็เขาอาจจะเพราะว่าเขาเคยไปทําร้ายคนมาก่อนขเขาอาจจะต้องมาถูกทำร้ายในชาตินี้ก็ได้การให้มองแบบนี้แล้วเราจะได้วางเฉยได้ว่าเออมันเป็นเรื่องของกรรมจริงๆถ้าไม่ทําอะไรก็จะไม่มีใครมาทําร้ายหรอกแต่ก็จะไม่มีใครมาทําความดีกันเราพะเราไม่ได้ทําความดีกับเขาแต่ถ้าเราทําความดี เดี๋ยวก็จะมีคนมาทาความดีกับเราคุณอุคครับผมมีอุปสรรคทุกครั้งที่จะสอบตั้งแต่เรียนปอตรีและปัจจุบันทำงานมาสิปีช่วงที่จะสอบอายการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยป่วยวักษาจะมีอุปสรรคปริมาณงานจะเพิ่มเติมจนกระทั่งเป็นห่วงเรื่องงานกับการสอบขอความกรุณาพระอาจารย์ด้วยครับก็ให้มองอุปสรรคว่าเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนมารที่จะบังคับให้เราต้องมีความต้องสร้างบา ร, รมีให้มากขึ้นมารบอกมีบา ร, รมีบอกเกิดเขาบอกต้องมีอุปสรรคเมื่มีอุปสรรคมันก็จะทําให้เราต้องพยายามทำความพยายามมากขึ้นมันก็ทําให้เราแข่งขึ้นมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นความขี้เกียจก็น้อยหนงแต่ถ้าเราได้ทุกอย่างมาแบบง่า ย, ายสบาย มันก็จะทําให้เราเกียจค้านได้ไม่มีกําลังไม่มีพลังเวลาไปเจอประสาคเราก็จะม้วนเสื่อจะไม่สามารถผ่านฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ฉะั้นขอให้เรามองอุปสรรคว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราอย่างที่เขาพูดมาบอกมีบารมีบอกเกิดบารมีที่จะเกิดก็เกิดเนี่ยขันติบารมีวิญญาบารมีความพยันต์มันเพียนความอดทนอดกั้น คนที่ชอบว่าให้คนอื่นบาปไหมครับว่าเขาก็บาปเขื่อนอยู่กับว่าว่าแบบไหนด้วยขออภัยถ้าพูดตามความเป็นจริงหน้ามีหน้าที่ต้องพูดก็ไม่บาปเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่อาจารย์ว่าเก่าตัดเกอนลูกๆว่าลูกคนเราทำผิดอะไรก็ต้องว่าเก่าตัดเกอนถ้าว่าแบบนี้ไม่บาปถ้าว่าด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยบาปถ้ายิ่งไม่เป็นจริงยิ่งบาปใหญ่ ตอนนี้คนว่าสวเต็มเลยครับอาจารย์ที่ผมเคยเรียนกุ้ม <c oughs> แต่ว่าเรียน <c oughs> มี ส, รสรนนารส น, น, น <c oughs> เทศนิเวศไทยตอนต้นก็มีเพราะว่าหมาได้ตอนได้ตําแหน่งใหม่ๆคนสารสนเทเชียร์กันใหญ่ <c oughs> ต <c oughs> อนนี้เจอนิเวศมีใครเข้มามารับส่วนนี้หรือเปล่าไม่มีเราต้องเป็นผู้รับเอง <c oughs> แ, ตแต่เราก็สบายใจเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับอาจารย์การได้ทำผิดก็ไม่เหมือกัน ในในสังคมมันก็ต้องมีทั้งคนดีคนไม่ดีปนกันไปนะแต่เวลาคนเขาด่าเขาก็ก็ไม่แยกแยะว่าคนไหนเป็นคนไหนเขาว่าทั้งกลุ่มไปถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เฉยเสียครับเมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งที่ก็พูดเราจะไปเดือดร้อนทําไมไอเขามาค้นหาหลักฐานยังไงมันก็ไม่มีใช่ไหมก็ปล่อยเขาทาไปการเมืองมันก็สกรปรกอย่างนี้แนหะมันก็มีการ รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับายครับได้มีประสบการณ์เห็นญาติผู้ป่วยผู้ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตเห็นท่านทรมานมากแต่ยังคงสติอยู่จนสิ้นลมหากเราอยู่ในสภาวะ น, นั้นต้องภาวนาอย่างไรครับถ้าเราทาจิตให้สงบได้เราจะไม่ทรมานเราจะนิ่งๆเฉยๆยังพยายามฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิให้บ่อย เวลาเกิดอาการเจ็บไายในป่วยที่ทรมานเราสามารถหลบเข้าสมาธิได้เพราะจิตเข้าสมาธิแล้วใจก็นิ่งเฉยเหมืนกัคนนอนนอนเฉยเฉยไม่มีอาการทรมานแต่อย่างใดอันนี้คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงพยายามสอนให้พวกเราพยายามฝึกมาฝึกกันแต่พวกเราก็ไม่ยอมทํากันคิดว่าเป็นของไร้สาระนั่งเฉยเฉยจะได้อะไรวะใช่ไหมต้องไปทํานู่นทํานี่ถึงจะได้ เพราะเาไป ม, มองทา ง, างลาบยศสรรเสริญสุขมันเราต้องเล่นดอนหาสิ่งเหล่านี้กันแต่การทําสมาธินี้มันต้องการหยุดจิตหยุดใจให้มันนิ่งให้มันสงบเพราเวลามันสงบแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นเราตายไปแล้วแล้วจะรับกรรมอย่างไรครับร่างกายไม่มีแล้วครับก็อย่างที่พูดเมื่อตอนต้นเนี่ย น, นี่คุณยังยังไม่ได้ฟัง ที่ตายนะั้นไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลกรรมหรอกคือร่างกายนี้เขาตายไปเขาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาเขามาจากดินน้ําลงไฟนิน่งน้าลมไฟที่อยู่ในร่างกาย ก, ก็แยกทางกันไปผู้ที่ไปรับกรรมก็คือใจผู้สัง่งผู้ใช้ร่างกายให้ทําบุญทําบาปอันนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลต่อไปลูกอยากจะไปใส่บาตรอาจารย์ครับ ก็ไปได้เนี่ยที่ซอยนาจอมเทียนสามสิบเริ่มต้นที่นาจอมเทียนสาสิบลองเสิร์ดูใน Google ก็ได้เวลาที่เวลาที่เรามีความรู้สึกโกรธแล้วรู้ตัวพยายามจะไม่โกรธถ้าทำบ่อยๆจะเป็นอย่างไรครับถ้าเราหยุดได้มันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของโกรธว่ามันมีมากมีน้อยด้วย บางทีเรื่องเล็ ก, ลกๆน้อยๆเราอาจจะระงับได้แต่พอเข้าไปถึงเรื่องใหญ่ๆขึ้นมามันอาจจะระงับไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาของเราว่ามีมากมีน้อยถ้ามีสติมากก็สามารถระ ง, งับความโกรธเป็นครั้งๆไปได้แต่ไม่สามารถกําจัดความโกรธให้หายไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าถ้ามีปัญญาก็จะสามารถที่จะระ ง, งับความโกรธได้อย่างสิ้นเชิงเพราะเราจะไประ ง, งับเหตุที่ทําให้เราโกรธ ที่ทำให้เราโกรธก็คือความอยากของเราเองอยากให้เขาทาอย่างนั้นอยากให้เขาทำอย่างนี้พอเข า, าไม่ทําตามที่เราอยากเราก็เลยโกรธแะถ้าเราเปลี่ยนว่าเปลี่ยนใจเราต่อไปนี้เราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเขาพระอาจารย์ครับแม่เสียทําไมเราไม่เคยฝันถึงเลยครับ ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าความฝันนี่มันเป็นเสียงที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนอาจจะฝันเรื่องแปลกๆเรื่องอะไรต่างๆก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรักไปก็แล้วความฝันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนาตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งมันได้มันฝันเทียก็ดีไม่ฝันเทียก็ดีเหมือนหมิ่นฟ้าอากาทําไมฝนตกตรงนี้แต่ว่าไม่ตกตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้มั่นมีเหตุมีปัจจัยของมันซึ่งเราเข้าไม่ถึงเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รู้มนเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไปก็แล้วกันเวลาที่นั่งฟังธรรมแล้วเกิดอาการง่วงนอนนั่งสับประงกอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บุญไม่ได้ธรรมะไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความสงบ จะฝึกใจให้เป็นแบบ ม, มโนสุดจริตควรทําอย่างไรบ้างครับก็คิดในถ้าเรื่องสุจริตเนี่ยก็คือเรื่องสุจริตก็คือไม่ทํำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปรพูดผิดประเพณีมาพูดผิดในการแล้วก็ไม่ไม่ไม่โกหกไม่เดื่มสุรายามาให้คิดอย่างนี้เรืยแล้วต่อไปการกระทําของเราก็จะเป็นการกระทําที่สุจริต ถ้าเรานั่งสมาธินานๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงติดต่อกันเราจะจิตหลุดไหมครับมันจะหลุดไปไหนลราไม่ทราบเข้ามายว่าจิตหลุดเป็นยังไงจิตมันก็อยู่กับเราตลอดจิตกับเราเป็นคนเดียวกันตัว เ, เดียวกันมันจะหลุดไปไหนมันไม่หลุดไปไหนหรอกมันจะหลุดก็เพราะไม่มีสตินะพอไม่มีสติมันก็ควบคุมจิตไม่ได้ถ้าจะหลุดก็ต้องหลุดแบบนั้นแบบที่คนเสียสติเวลาเขาเสียสตินี้ก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมจิต ได้จะทําผิดจําถูกจะพูดผิดพูดถูกก็ทําไปตามภาษาของเขาแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลามันก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราในขณะปฏิบัติเกิดสภาวะทุกขเวทนาเกิดพร้อมกันหลายส่วนในขณะนั้นผมรู้สึกว่ามีตัวรู้ตัวหนึ่งที่เข้าไปรู้เวทนาแต่ละส่วนของร่างกายจึงเข้าใจว่าจิตเกิดพร้อมกันได้หลายดวง และมีตัวรู้ที่ไปรู้จิตดวงอื่นผมเข้าใจถูกต้องไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาครับไม่เถอะตัวเดียวเนี่ยมันสามารถรู้ได้หลายเฉดได้กันเหมือนตอนนี้เราดูภาพเราสามารถดูหลายอย่งภาพที่อยู่ในจอเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราสามารถอยู่ได้พร้อมๆกันไปก็ไม่ใช่ไหมครับเราจะมีหลายคนที่ดูภาพนี้อยู่มันเห็นจิตตัวเดียวเนี่ยมันสามารถรู้อะไรได้พร้อมๆกันถ้ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็รู้ได้พร้อมๆกัน ขอคำแนะนําทําให้ใจสบายอย่าคิดกลัวความตายครับเโ่ยกานก็ฝึกสติให้ทางพุโทโธพุโทโธไปบ่อยๆทําได้มากเท่าไหร่ใจก็จะเย็นใจก็สบายแล้วพอใจเย็นใจสบายก็สอนใจเรื่องของความตายว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายชั่วคราวนั่นเอง เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้ตายไปของร่างกายชาเปเรื่อยๆตายไปเราก็จะยอมรับความตายของร่างกายได้หนูเป็นคนรักสัตว์มากโดยเฉพาะสุนัขพอเห็นข่าวคนทําร้ายสุนัขด้วยวิธีวิปริตต่างๆหนูก็เกิดความเศร้าขึ้นมากไม่สามารถวางอุเบกขาได้ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะวิธีด้วยครับฝึกสมาที่ฝึกสติบ่บอยๆทําใจให้สงบแล้วใจจะปล่อยวางได้ ใจจะเป็นกลางจะเป็นกุเบขาคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ครับถ้านําเงินของเขาที่สะสมไว้ไปทําบุญให้หมดท่านจะได้บุญด้วยไหมครับเขาต้องรู้แล้วเขาต้องไปค น, ค, นคิดเองถ้าก็ไม่คิดเองแ ล, อแล้วเอาินไปน่ถ้าเป็นเราขโมยเ ง, งินของเขาเราปฏิบัติสมาธิกรรมฐานบิดามารดาได้บุญกุศลด้วยไหมครับ ไม่ได้หรอกของใครของมันมันกินอาหารเนี่ยเากินอาหารเราก็อิ่มคนเดียวมีดามาันดาไม่ได้อิ่มกับเราด้วยอยาใช้มีดามาันดามันอิ่มก็ต้องเอาอาหารมาให้ท่านกินเลยยกินด้วยท่านก็จะได้อิ่มด้วยลงทุนในการทําธุรกิจขาดทุนมากมีวิธีทําใจอย่างไรได้บ้างครับควรจะคิดอย่างไรครับก็นี่จังเลยไม่มีอะไรแ น, น่นอนถ้าแน่นอนกากระสบายกระลอยกันทุกคนแล้วสิฮะ ซื้อหุ้นเนี่ยมีคนบางคนก็รวยบางคนก็จนไม่ใช่ว่าจะรวยกันทุกคนทางลอตเตอรี่ก็มีคนรวยก็มีคนจนก็มีคนเจ๊งก็มีเพราะมันนี่เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเวลานั่งสมาธิกําหนดพุทพร้อมลมหายใจเข้าโทรลมหายใจออกหรือว่าเราบริกรรมพุทโทไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องสนใจลมครับ เอาอย่างเดียวจะดีกว่าพุโทโธอย่างเดียวไปถ้าจะพุทบริกรรมก็พุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลมไม่เสียเวลาถ้าอยากจะดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธดูที่ปลายจมูกดูเท่งลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอไม่จําเป็นจะต้องทำทั้งสองอย่างการตักบาตร ท, ทาบุญกับการทําทานอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันนะถ้าปริมาณของการให้เท่ากัน ถ้าเราทาทานร้อยบาทใส่บาท1้อยบาทเราก็ได้บุญเท่ากันถ้าพ่อแม่ผิดศีลข้อสามเราเป็นลูกตักเตือนพ่อแม่ได้ไหมครับหรือว่าปล่อยวางกรรมใครกรรมมันครับไม่ได้หรอกพ่อแม่เขารู้มากกว่าเราื่องานี้ทำไมเขาจะไม่รู้ คุณแม่สามีอาศัยอยู่ที่วัดเป็นจิตอาสาแต่ชอบเก็บขนมจากวัดและเอามาให้คนในครอบครัวแบบนี้เป็นบาปไหมครับถ้าท่านได้มาโดยที่พระให้กับท่านมาก็ไม่บาปเพราะบางให้ของที่วัดบางทีมันก็มีเหลือเฟือถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันก็เสียเน่าเสียพระส่วนให ญ, ญก่ก็หลังจากที่ท่านแบบ่งไว้สําหรับตัวท่านฉันแล้วส่วนเกินท่านก็จะให้ญาตโยมโดยเฉพาะญาติโยมที่มาช่วยทํางานที่วัดก่อนเพราะเขามาทําบุญมาช่วยเหลือวัด เราก็อยากจะมีอะไรตอบแทนเขาไปงั้นท่านพาให้โดยโดยที่เราไม่ได้ไปขอท่านนี้ไม่ไม่ไม่บาปแต่เราไม่ควรไปจ้องไปไปขอว่าขอข อ, ขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้อันนี้ไม่กวรเธอแม้จะไม่บาปแต่มันก็เป็นความโลภเราเข้าวัดเพื่อรักความโลภไม่ได้ไปเพื่อก่อความโลภให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าไปเอาของที่ท่านแม่อนุ ญ, ญาตโดยยิย่งกลายเป็น เป็นการกมลอยทำผิดศีลด้วยโลภแล้วยังไปทำผิดศีลสองกระทงเลยเป็สองกระทงแต่ถ้าไม่ได้โลภไปอยากได้แตถ้าพระท่านเมตตาอยากจะให้เราเราก็รับไว้ถ้าเราไม่เราไม่ต้องการเองเราก็ไปทําบุญต่อก็ได้เอาไปให้คนที่เขาไม่มีก็ได้ไม่เสียหายตรงไห น, นผู้ป่วยสมองตายที่นอนติดเตียงสภาวะจิตอยู่ที่ไหนหากเราจะส่งบุญให้เขาจะช่วยอย่าง ได้อย่างไรครับถ้าร่างกายเขาไม่ตายเขาก็ยังอยู่กับร่างกายไม่ต้องส่งมุญนะดูแลเขาให้ดีก็แล้วกันเขาขาันหลืออะไรก็ดูแลเขาให้เขาอยู่ตามอัตลักษณ์ของเขาอย่างสุขสบายที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตอนเด็กลําบากมากแต่ทําทานมันอยู่ในศีลไม่ทํำบาปตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากๆคือผลจากการทําดีใช่ไหมครับมันก็ไม่แน่นอนอเพราะว่า บางทีมันก็ยังไม่เกิดก็ได้ผลบางทีมันก็เกิดก็ได้เมื่อวันก่อนเปิดคลิปช่องหนึ่งแชร์คลิปจากงานแต่งที่เขาใช้ธีมสีเหลืองและมีแขกในงานคนหนึ่งแต่งเรียนแบบพระพุทธเจ้าเข้ามาในงานและคนในงานบางคนก็หัวเราะรวมทั้งสาวสาวก็ถ่ายรูปเรียนแบบท่าทางพระบาปไหมครับเขาไม่เคารพพระนั่นเองเขาไม่นับถือศาสนาเขากถือว่าเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องธรรมดาสหรับเขาคุณแม่เป็นคนแบบมนุษย์ป้าและชอบทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะชอบว่าแม่แต่ก็มาสานึกผิดขอโทษแม่บาปมากไหมครับการว่าพ่อแม่แม่มันก็บาปแนละ้วไม่ควรจะว่าทำนึกผิดได้ก็ดีจะบาปมากบาปน้อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมันก็ไม่ดีการกระทบที่ไม่ดี เวลาเห็นสัตว์เช่นหมาแมวนอนตายอยู่ข้างถนนแล้วแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านั้นได้บุญไหมครับไม่ได้เราะถ้าอยากจะได้บุญเราต้องทําบุญใส่บาตรหรือทําทานบริจาคเงินให้กับใครสักคนหนึ่งหรือสถานที่ใดแล้วก็เอาบุญที่เราได้จากการทําทานนี้อุทิศไปได้แต่แผ่เมตตานี้ไม่ไม่ได้ไก่ประโยชน์อะไรเพราะไม่มีเขาต้องการจะแผ่เมตตาต้องมีคนรับมีผู้รับอยู่ เช่นถ้าเราเจอคนแล้วเราแผ่เมตตาให้เขายิ้มให้เขาทักให้เขาเขาก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้คือการแผ่เมตตานี้คือการให้ผู้พูดมีความสุขแต่คนตายเวล้วแผ่เมตตาให้เขาไม่ได้ถ้าอยากจะแผ่เมตตาให้คนตายก็ต้องไปทําบุญแล้วอุทิศบุญให้กับเขาไปพระอาจารย์ครับมีพระมาโปรดทุกเช้าใส่บาตด้วยปัจจัยเป็นบาปไหมครับ โยนใส่บาบด้วยปัจจัยไม่บาปหรอกแต่พระรับด้วยปัจจัยนีบาปมันผิดพระวินัยพระวินัยไม่ให้พระแตนทีนี้มันมีพระสองสองสายด้วยกันสายที่เขาอนุญาตให้รับได้ก็ไม่บาปมันก็ไม่ผิดพระวินัยสายที่เขาไม่อนุญาตให้รับก็รับไปมันก็ผิดพระวินัย เป็นลูกจ้างต่อสัญญาปีต่อปีแต่ถูกหน่วยงานเอาอเปรียบควรที่จะต่อสู้หรือปล่อยไปเพื่อป้องกันการเลิกจ้างและเพื่อความสงบของใจดีครับตอนนี้ใจไม่สบายเลยครับทำอย่างไรดีครับถ้าเราอยากจะให้ใจสบายก็ยอมยอมเล่ากับสภาพไปก็แล้วกันใจก็จะสงบเพื่อนร่วมงานกล่าวโยงเรื่องที่เราไม่ได้ทานินทาเสียหายขอทางสงบของใจด้วยครับ ก็เป็นคาคำพูดเท็จของเขาแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราไม่ได้ทําตามที่เขาพูดเราก็ไม่ต้มีอะไรที่เราจะต้องไปกังวลแต่ถ้าเขาถพูดในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วผิดจริงแล้วก็ต้องแก้ไขตัวเราเองจิตของเราสามารถไปเกิดที่ต่างกาแล็กซี่หรือจักรวาลอื่นๆที่มีคนหรือมีสิ่มีชีวิตเกิดได้ด้วยกันใช่ไหมครับได้ท่านที่ไหนมีสิ่งที่มีคนมีสัต จี่ไปเกิดได้ก็ไปจิตที่สามารถส่กระแสไปได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีจิตเป็นเหมือนความว่าสามารถเชื่อมต่อกับร่างกายที่อยู่ในในจักรวาลได้หมดเลยลูกที่กินหรูอยู่ดีแต่ปล่อยให้พ่อแม่อดอยากเป็นวิบากกรรมของพ่อแม่ใช่ไหมครับมันก็เป็นความไม่กตัญญูของลูกมากกว่าความเห็นแก่ตัวของลูกมากกว่า ก็ส่วจะเป็นวิบากหรือไม่เราก็ไม่รู้ต้องต้องไปดูอดีตชาติของพ่อแม่เขาทําอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเขาทำอย่างนี้กับพ่อแม่ของเขาก็อาจจะเป็นวิบากกรรมของเขาก็ได้การสาธุในทำคําสอนของรรท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงน่ากลัวมากการฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ที่ทํำร้ายเราก็าบาปร้ายแรงแต่โยมก็ฆ่ายุงและมแมลงมดที่เข้ามากัดและขึ้นอาหารของเราบ่อยมากเลยคงจะต้องโดนเอาคืนแน่เลยครับ ก็อยาทเลยพยายามหักห้ามจิตใจอยาไปทําไม่ใช่ได้ไหมว่านอกกลับไปเกิดเป็นมโนท้ยคนอื่นก็ทําเราต่อพูดใส่ร้ายให้คนอื่นเขาผิดใจกันบาปไหมครับมาทํ า, าความทุกข์ให้กับผู้นะี้เราสามารถอุทิศบุญให้กับคนที่มีชีวิตยอยู่ได้ไหมครับหรือเราต้องอุทิศบุญให้กับเทวดาที่รักษาหรือนายเวรของคนที่เราต้องการอุทิศให้ครับ คือบุญนี้แปลว่าความสุขเราอยากจะส่งความสุขให้กับคนตายแล้วก็ต้องทาบุญแล้วส่งไปแต่ถ้าเราอยากให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขเราก็ไปเยี่ยมเขาเอาเของไปฝากเขาเขาก็จะมีความสุขกาพเรียนพระอาจารย์ครับถ้าเราทําบุญกับคนที่เขามาหลอกลวงแจกซองพระป่าเราได้รับเราจะได้พระจริงหรือปลอมเราได้บุญไหมครับประมาณนั้นครับ คือถ้าเราไม่รู้ว่าเขาหลอกเราแล้วเราก็ได้บุญถ้าเรารู้เราก็ไม่ควรทำเพราะเราไปการไปส่งเสริมให้เขาทำบาปเราก็ไม่ควรไปทําแต่ถ้าเราไม่รู้เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคิดว่าขเขาจะไปทําบุญตามที่เขาพูดเราก็ได้บุญแต่ทั้งสองกรณีเราก็ได้บุญถึงแม้ว่าเรารู้เขาหลอกเราแต่เราก็อยากจะสง่งเขาอยากจะช่วยเขาก็ให้เงินเข้าไปเราก็ยังได้บุญอยู่อย่างไป็นการส่งเสริมให้เขาทําไม่ดี คุณชานยุทธคอมเมนต์มาครับอาจารย์บอกวันนี้ตอนนั่งฟังพระอาจารย์เทศจิตใจนิ่งสงบมากไม่เคยสงบขนาดนี้มาก่อนตอนพระอาจารย์เทศจบออกจากสมาธิรู้สึกปิติมากๆเลยครับผมอยู่ต่างประเทศครับฟังออนไลน์ครับครัุกท่วันนี้พูดเรื่องโอกาสทองของชีวิตพวเราเนี่ยมีโอกาสทองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวโอกาสทองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นด้วยสารสารประการด้วยกัน คือต้องมีสามส่วนนี้ปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์สองได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสามได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมถ้าเรามีสามอย่างนี้ก็โอกาสทงก็คือการเข้าถึงพระนิพพานก็เข้าถึงมากผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นได้ใครมีสามอย่างนี้ก็ถือว่ามีโอกาสทงของชีวิตแล้วอย่าปล่อยให้มันหมดมือไป นิพพานอยู่แค่อื่มมือเท่านั้นเองอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติเพราะเราเป็นมนุษย์<ม>เรามีความสามารถที่จะศึกษาจากคําสอนของ พ, อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ถ้าไม่มี พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระศาสนาเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยตัวเองหรือถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในวัดนีก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระศาสนาได้ แล้วเเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่เราไม่มีเวลาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติเราก็ยังไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่ดีจากพระพุทธศาสนาได้คือมรรคผลนิพพานเราต้องเป็นสักสามส่วนนี้เป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าเป็นริ้จิตดวงครับจะนอนสมาธิได้ไหมครับได้นอนก็ได้นนไดยืนก็ได้เดินก็ได้ยังมีอีกสามท่าที่เราจะเลือกทําได้ไม่ต้องอยู่ที่ท่านอนอย่างเดียวส่วนใหญ่ท่านอนไม่คนรทาเพราะว่ามันจะทําให้เราหลับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากการทําสมาธิแต่ถ้ายืนและท่าเดินนี่ยังสามารถทําจิตให้สงบได้ในระดับ เราจะทราบได้อย่างไรได้บ้างไหมครับว่าการอธิษฐานการภาวนาทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้คุณพ่อท่านได้รับหรือไม่อย่างไรครับเราต้องมียานอย่างทราบเราต้องมีพลังจิตสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้ถ้าไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าคุณแม่เสียชีวิตครบรอบหนึ่งปีหนูต้องทําอย่างไรต่อครับกระดูกลอยอังคารไปหมดแล้วครับ ก็ทุกครั้งเราคิดถึงคุณแม่อยากจะให้คุณแม่ได้ประโยชน์ได้บุญเราก็ส่งบุญไปในการทําบุญส่วนท่านจะรอรับบุญหรืไม้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราในฐานะลูกที่อยากจะแสะดงความกตัญญูกับท่านแล้วก็ทําบุญส่งไปเพื่อท่านอยู่ในสภาพที่รอดรับบุญอยู่ท่านก็จะได้รับแต่ถ้าท่านไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรบุญที่เราส่งไปก็จะกลับมาเป็นของเรากลับมาหาเรา คำที่ว่าเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามสนองเขาเองไม่ช้าก็เร็วแต่เราต้องการให้ตอบสนองเขาเร็วๆจิตเราเป็นกรรมไหมครับเพราะสังเกตว่ากรรมดีสนองช้ากว่ากรรมบาปครับอาจารย์ครับมันอยู่ใที่ความ อ, อยากของเราถ้าอยากให้อะไรเกิดขึ้นมันจะรู้สึกว่าช้าแต่อย่างไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้ น, นรู้สึกว่ามันเร็วเช่นไม่อยากแก่เนี่ยว่าถ้าแก่เร็วแล้วเกิดตุก อยากจะรวยนี่โอ้ยนั่งรอแล้วรออยู่เมื่อไหร่มันจะรวยส <c oughs> ักทีมันยึดความรู้สึกความจริงเวลานมันเท่ากันนะครับแล้วอย่างที่เขาบอกว่าอยากให้เป็นกรรมตามสนองเร็วๆแบบอย่างนี้เขาเป็นบาปเป็นกรรมไหมครับาอาจารย์ไม่เป็นอ่ะเป็นทุกข์ไปเปล่าๆเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมได้กฎแห่งกรรมเขาก็ามีเขาก็ามีอะไรมีมีกลไกของเขาที่จะส่งผล งั้นเราอย่าไปยุ่งดีกว่าเฉยๆดีกาทำใจให้เป็นอเบคกขาปล่อยวางรับเรียนพระการครับตอนนี้คนฟังพันเก้าร้อยกว่าคนนะครับวงแต่ทุกช่องทางครับนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธแต่เห็นเป็นตัวหนังสือคำว่าพุโทโธลอยขึ้นตลอดทำอย่างไรดีครับก็ดูไปเรื่อยกๆก็ได้ถ้าเป็นพุโทโธพุโทโธแล้วเราไม่ไปคิดอะไร หรือถ้าเราไม่เป็นสนใจก็ได้แล้วก็ให้อยู่กับคําถ้าเราใช้คําบริีกรรมพุทโธแล้วก็อยู่กับคําบริกรรมไปเพราะภาพที่ปรากฏมันอาจจะหายไปก็ได้เมันเป็นของไม่ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ดับได้ในเวลาที่เรานั่งสมาธินี่อี่าไ่สนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาจะดีกว่าให้อยู่กับคําบริกรรมของเราไปเรื่อยๆ การวางเฉยไม่พูดไม่สมาคมกับผู้ที่มีอคติกับตัวเป็นวิธีที่ดีแล้วใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้มีกรรมต่อกันอีกครับถ้าเป็นไปได้ก็ดีแต่ถ้ายังต้องมีมีการพบปะ ก, กันก็ควรอย่าให้ใช้ความเมตตาเป็นเป็นอะถึงแม้ว่าเราจ ะ, ะไม่อยากจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเขาแต่โดยมารยาทเราก็ต้องมีการแสดงความเมตตาต่อ ก, กันททายกันสวัสดี ถ้ า, ถาทักทายไม่ได้ก็เฉยไปต่างฝ่ายก็ต่างอยู่ไปก็ได้แต่อย่าไปทําร้ายกันก็นล้อกันนั่งวิปัสสนาอุทิศให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปท่านจะได้รับไหมครับยังไม่ได้รับหรอกว่าเรายังไม่ได้ผลวิปัสสนานี่เป็นเหมือนกับการเริ่มปลูกต้นไม้ในวันนี้ก่อนต้นไม้จะโตเอาด อ, อกออกผลมานี่ไม่ร้อีเมื่อไหร่เราต้องทำนุ่มลงมันอยู่เรื่อย แต่ถ้าเราทำบุญวันนี้ปั๊บเนมั น, อ, นออกกผลทันทีผลของบุญปรากอขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากยังอุทิศบุญก็ให้อุทิศด้วยการทำบุญทำทานไม่ใช่ด้วยการรักษาศีลสวาสิิพภาวนาอันนี้มันยังไม่เกิดผลปฏิบัติอย่างไรเมื่อยังต้องทำงานและต้องการปฏิบัติภาวนาครับ เรพยายามใช้สติอยู่ ก, การทํางานอย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามความคิดต่างๆให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่หรือ mm. ใช้คาบริกรรมพุโทโธคอยหึงไว้ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานเวลาอะไรต้องการใช้ความคี่จับการทํางานก็หยุดคําบริกรรมพุโทโธและเชื่อข่าวก่อนอย่างนี้ก็จะเป็นการรักษาสติหรือเจริญสติแล้วก็บงรัุใจไม่ให้คิดฟุง้งซ่านพอถึงเวลาเราลิา ง, งานมีเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งได้ง่ายก ถ้าเราไม่ควบคุมใจไว้เลยด้วยสติอยากทําธุรกิจส่วนตัวไม่ทราบจะเริ่มยังไงเข้าใจว่าถามไปในทางธรรมะนะครับอาจารย์ครับก็ต้องศึกษาก่อนธุรกิจที่เราจะทําทนี้ต้องทำอย่างไรบ้างต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องไปทำํทำที่ไหนถึงจะได้ได้กําไรไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทําไปโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนมันก็ มันก็เหมืนกัมันก็เหมือนกับถังวัตต์รี่เรื่องเอาใบใหญ่ไปเนี่ยไว้ให้แล้วแต่บุญแต่กรรมถ้ามันจะถูกก็ถูกไม่ถูกมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราศึกษาไว้ก่อนว่าถ้าเราจะทำธุกรกิจแบบนี้เราต้องไปทําที่ไหนดีมีความคิดไม่ดีเป็นมนโนกรรมบ้างแต่หยุดได้ด้วยการภาวนาพุโทโธแต่ก็เกิดอีกซ้ําๆควรทาอย่างไรครับ ก็หยุดไปเรื่อยๆใช้พุทโธหยุดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหมดเองมันก็จะไม่คิดเองหรือคนสอนใจไปด้วยว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีอย่าคิดนะคิดแล้วมันจะทําทให้เราเสียหายไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้หยุดด้วยหยุดไปหยุดแล้วก็สอนมันด้วยอย่าทำเองต่อไปมันก็จะไม่กล้าทํานั่งสมาธิแล้วฟุง้งพอรู้ว่าฟุ้งก็กลับมารู้ตัวแบบนี้ยังได้แบบนี้ได้บุญไหมครับ ยังก็ยังสลับกันอยู่จิตยังไม่สงบนะยังไม่มีความสุขจากการทําสมาธิถ้ามีคนใส่ร้ายเราในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเราควรปล่อยไปเลยใช่ไหมครับเพราะเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นได้ถ้าเรื่องนั้นทําลายทําให้เราเสียหายก็ให้อภัยเขาใช่ไหมครับนั่นวิธีการที่ดีสุดก็ปล่อยไปแล้วห้ามเขาไม่ได้ไม่จะพูดยังไงก็ปล่อยเขาพูดไป ถ้าเราบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่จะได้บุญ alors, ไหมครับเพราะเป็นการทําบุญหลังจากที่เราตายไปแล้วครับไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราไปไปที่ไหนแล้วหลังจากที่เราตายไปแต่ถ้าเราบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่นี้เราจะได้บุญเพราะเราจะรู้เช่นเราบริจาคตายไปข้างไหนเราก็จะรู้ว่าเราได้เสียสละตายไปแล้วผู้ที่รับเขาก็ได้รับประโยชน์คือแทนที่เขาจะตายเขาก็ ก, กลับม า, ามีชีวิตยอยู่ต่อไป รู้แบบนี้มันทําให้เราเกิดมีความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี่เราก็คือบุญแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายใครจะไปทําอะไรเราไม่รู้เราก็ไม่เราก็จะไม่ได้บุญต่อไปนี้จะตั้งใจประหยัดเงินเพื่อ น, นําไปใช้หนี้ที่พ่อแม่บุปการีสํารองจ่ายให้ก่อนเริ่มอยากประหยัดจากเมื่อก่อนใช้เงินเก่งมากคนอื่นจะมองว่าเราขี้งกขึ้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ก็ถ้าเรามีเห็นมีผลของการประหยัดก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถ้าถึงเวลาที่คนที่จะช่วยเหลือใครบ้างถ้าใครก็เดือดร้อนพอแบ่งปันกันได้ก็ควรจะทำทานไปด้วยไม่ใช่จะเก็บไว้อย่างเดียวเราคิดว่าเป็นการสร้างทานบารมีไปด้วยก็ได้ควบคู่กันไปไม่ว่ามันจำเป็นยังนินที่จะต้องเอาเงินนี้ใช้นี่ให้หมดก่อนก็ใครจะคิดยังไงก็ก็แล้วแต่เขาแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ การที่เราไม่โต้อตอบออกมาเมื่อไม่พอใจคู่สนทนาแต่โต้อตอบด่าในใจเป็นบาปไหมครับถ้ายังอยู่ในใจนี่ไมไม่บาปแต่มันก็จะทําให้ใจเครียดได้ใจทุกได้อย่าไปโต้อตอบอันดีที่สุดทำใจให้เฉยๆแล้วใจเยอะสบายหากเราพบว่า ง, งูกําลังจะกินกบเราควรจะมีเมตตาช่วยกบหรือเราควรจะมีอุเบกขาวางเฉยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างไรถูกต้องเหมาะสมครับ ถ้าช่วยได้ก็ช่วยด้วยความเมตตาเพราะว่าอย่างมากงูก็เพียงแต่อด อ, ดอดอาหารในมื้อหนึ่งครับเดี๋ยวเขาก็ไปหากินเขาก็ต่อไปแล้วก็ได้ถ้าเราช่วยได้ก็ควรจะช่วยแต่จะช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นงูแมงกะไปสละเงินให้พี่น้องกับเอาเงินไปทําบุญที่วัดได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกันแต่ประโยชน์ไม่เท่ากันพี่น้องอาจจะเอาไปเล่นการมานานไปซื้อสุรายามาเอามาดื ถ้าไปทําบุญที่วัดว่ดก็อาจจะเป็นสถาบันที่จะสนับสนุนให้คนเป็นคนดีประโยชน์มันต่างกันแต่บุญที่เราให้จากการให้นี้เท่ากันความความสุขใจเท่ากันจากการเสียสละมันเท่ากันในประโยชน์ของผู้รับที่จะไปผู้รับจะไปทําประโยชน์ต่อ น, นี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้รับก็จะไปทําประโยชน์ไม่เอาไปทําเอาไปทําโทษก็ได้อยู่ที่การกระทำของ การสวดมนต์ก่อนนอนสวดเป็นทํานอมแบบพระไม่ได้ถ้าสวดมนต์เป็นบทอ่านธรรมราดาได้บุญไหมครับได้คือคมไม่คว่าบุญนี่มาแต่ว่ามันก็ได้บ้างถ้าสวดแล้วมันทำให้ใจเราสงบ ม, มีความสุขมันก็จะได้บุญบ้างการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธฐานของจิตควรจะอยู่ที่ใดครับก็อยู่กับพุทโธไป ไห้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเรื่องการจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะเข้าสู่สฐานอีกที่หนึ่งแต่เมื่องต้นต้องใช้พุทโธเป็นผู้นําเข้าไปเมื่อสัตว์เลี้ยงเราเสียชีวิตเราสามารถทําสังฆทานอุทิศบุญผลบุญให้สัตว์เลี้ยงเขาจะสามารถได้รับบุญนั้นได้ไหมคะเพราะเคยฟังในพระไตรปิฎกบอกว่าผลบุญจะอุทิศได้เฉพาะคนที่เกิดเป็นเ ป, นเปรตเท่านั้น ใช่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนที่ตายไปนี้ต้องมาเป็นเปรตท่านั้นถึงจะมาราับบุญได้พี่ชายบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วจะต้องจัดงานศพอีกไหมครั บ, บรก็แล้วแต่เราได้ทั้งนั้นจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ เวลามองสายยางรดน้ำต้นไม้สีเขียวน้ำเงินสีสดๆดและภาพสายยางที่ติดตาเป็นสีแดงแบบนี้เป็นนีลละกะสินหรือโลหิตกสินครับเพราะภาพจริงกับภาพติดตาคนละสีกันครับม่ได้วุินกันนะเรื่กสินนี่เราไม่เคยปฏิบัติเลยไม่สามารถจะตอบได้คนที่กินเหล้าแล้วไปสวดมนต์ไหว้พระจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันครับ ก็ไม่รจะสวดได้อเปล่าถ้าเมาเราไปสวดมันไม่มีสติพอที่จะสวดมันมันมันมันไปคนละทางกันการกินแล้วทาเพิ่มให้มันไม่ไม่ให้มีสติการสวดมนต์นี่เพื่อสร้างสติขึ้นมานี่มันก็สวนทางกันหนังสือสวดมนต์ตัวหนังสือตัวเล็กถ้าเราถือสวดโดยไม่ไหว้พระไม่ได้นั่งต่อหน้าพระพุทธรูปได้ไหมครับ ได้การส่วนนี้สามารถสวยได้ทุกแห่งทุกคนเด็กกำลังจะถูกรถเหยียบผมช่วยทันบางคนว่าผมให้อยู่เฉยเฉยมันเป็นกรรมของเด็กไม่ช่วยคือไม่บาปใช่ไหมครับไม่ช่วยไม่บาปถ้าช่วยถ้าช่วยก็ได้บุญวจิตที่เป็น แค่ตัวรู้เฉยๆและจิตที่ปรุงแต่งสามารถเกิดขึ้นมาให้เห็นพร้อมกันได้ไหมครับบางทีมันขึ้นมาแล้วตีกันเองต้องได้ใช้ปัญญาช่วยจัดการให้จิตที่ปรุงแต่งนั้นจบไปเหลือแค่ผู้รู้ก็พอถูกใช่ไหมครับคือผู้รู้เนี่ยตัวตัวรู้เนี่ยมันรู้อยู่ตลอดเวลามันรู้เวลาที่จิต ป, ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งก็ตั ว, ต, วตัวรู้เนี่ยเป็นผู้รู้ว่าตอนนี้จิตปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งมันไม่ชนกันหรอก ตัวรู้นี่มันรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ตัวคิดเนี่ยปรุงแต่งนี้มันบางทีต่งแล้วก็ลาแต่งแล้วอาจจะพักปรับปุงแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วถ้าเรามีสติกควบคุมมันให้อยู่กับผู้โดหรืออยู่กับลมหายใจได้เราก็จะหยุดความปรุงแต่งนี้ได้ชั่คราวเพอะความปรุงแต่งหยุดปับ๊บอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากปรุงแต่งก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่อยู่ที่ลงเหลืออยู่ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันดับ ไม่มีวันหายไปมีความเครียดครับจิตใจวาวุ่นทำอย่างไรดีครับใช้สติหยุนบันนะใช้พุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปก็แล้วโดวยก่อนมันจะหายเครียดขณะปฏิบัติเกิดทุกออนิธถามซ้ำครับ ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราหลังจากธาตุสีได้แตกสลายไปแล้วจิตเดิมแท้จิตที่ว่างเปล่าจิตดวงนั้นต้องเรียกว่าจิตอะไรครับก็เลยว่าธาตุดูไงหน้ากายก็ทํำให้ธาตุสีดินน้ำลมไฟจิตก็เป็นธาตุที่ห้าในว่าธาตุรู้นี่คำถามต่อใกล้เคียงกันครับวิธีไหนที่เราจะพบธาตุรู้หรือธรรมธาตุครับวิธีเจริญสตินั่งสมาธิ ที่วัดมีสังฆทานเวียนถ้าเราใช้สังฆทานนั้นทำบุญแล้วเอาเงินหยอดตู้ได้บุญไหมครับได้คุณสิริเพนบอกว่าดีใจปีติได้มาชมไลฟ์ในคืนนี้ไม่ค่อยสบายหนูไม่ค่อยมีตังเติมเน็ตเลยไม่ได้เข้ามาชมไลฟ์สดพระอาจารย์ครับทุกวันพระ ตั้งโต๊ะหน้าบ้านช่วยรับสิ่งของที่พระบิณฑบาตมาจำนวนมากถ่ายของไว้ให้ท่านอย่างนี้ได้กุศลไหมครับได้ได้รับใช้ท่านผู้ที่บำเพ็ญฌานไปจนถึงเนวสัญญาณาสัญญาแบบอุทกดาบทและอาราลาดาบทถ้าตายไปแล้วไปอุบัติเป็นอรูปภมมีอายุ 84,000 กลี่พักับเป็นเวลานานมากถ้าสมมติว่าอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนหมดอายุไขภมจะเป็นไปได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกมันย็ต้องเป็นไปลายตามตามกําลังของของบุญที่ทำํำมาของชานที่ทําำมาทาทานบริจาคทรัพย์สินแต่พระโดยแด่พระโดยตรงผิดถูกอย่างไรครับก็ไม่ผิดตรงไหนจะทํำบริจาคให้กับพระโดยตรงก็ได้บริจะบริจาคให้กับวัดก็ได้ถ้าบริจาคให้กับพระนี่ก็เป็นสิทธิ์ของพระไปท่านยาวไปใช้อย่างไรก็เป็นเสร็จของท่าน แต่ถ้าพระจ้าให้กับวัดก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามตามขั้นตอนของการของวัดว่าเวลาจะใช้จ่ายเงินของวัดีะต้องใช้จ่ายอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของใครเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าถวายให้วัดวัดก็เป็นก็เป็นของวัดไปเป็นเจ้าของถ้าถวายให้กับบุคคลบุคคลที่รับก็เป็นเจ้าของเงินไปแต่คนให้ได้บุญเท่ากันแต่พระเจ้เอาบอกประโยชน์ต่างกัน ถ้าให้ให้กับคนคนเดียวกับให้กับวันนี่เหมือนก็ให้กับทั้งให้กับพระทั้งทั้งวัดเพราะว่าพระทั้งวัดต้องอาศัยวัดเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆแต่ถ้าถวายกับพระรูปเดียวพระรูปเดียวท่านก็จะเก็บไว้ใช้คนเดียวก็ได้ <Yeah. S 1> ก็ประโยชน์มันก็จะเกิดน้อยกว่าให้คนเดียวกับให้คนให้พระทั้งวัพดพระเจ้าถึงนั่นเราให้ถวายเป็นสังฆทานไป เช่นกุฏินี่ก็ถวายใหญ่ถวายให้กับพระรูปนี้รูปเดียวเพราะถ้าถวายเป็นของท่านท่านก็จะไม่ให้ใครมาพักเดี๋ยวท่านไม่อยู่ท่านไปทุรัที่ไหนไปอยู่ที่วัดอื่นท่านก็ใส่กุญแจล็อกไว้ได้แต่ถ้าท่านแต่ถ้าถาวายเป็นของว่า น, นี่ท่านล็อกไว้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงว่าเป็นของท่านเมื่อท่านไม่อยู่ท่านมีใครอยากจะเข้ามาอยู่ก็ต้องสามารถอยู่ได้เพราะเป็นของของส่วนรวมไม่ใช่เป็นของส่วนตัวหลังกันตรงนี้ พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ถอยให้เป็นของส่วนรวมไปจะเ ก, กิดประโยชน์กับคนมากกว่าถวายให้กับคนคนเดียวเป็นส่วนตัวอนนตอนที่พระ อ, องค์ทรงสเสด็จกลับไปเยี่ยมพระราชาวังครั้งแรกแลพระพุทธมารดาเลงก็ตัดเย็ยบจีวรไว้น่าจะมาถวายให้กับพระพุทธเจ้าถวายสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธบอกให้ถอยเป็นสังฆทานอย่ามาถวายให้กับพระพุทธเจ้าแต่ว่า เราสนับสนุนสังฆทานทําสังฆทานเราจะสนับสนุนพระศาสนาให้อยู่ยั่งยืนถึงห้าพันปีด้วยกันแต่ถ้าทวายให้กับพระพุทธเจ้ า, า, จเอาองเดียวไม่มีพระลูอเลยได้รับได้รับประโยชน์ก็มันจะไม่มีพระที่อยู่ในศาสนาได้พอพระพุทธเจ้ า, จเาตายไปศาสนาก็จะจบได้เห็ต้องให้ทำทำทำบุญให้กับสงฆ์ทั้งทั้งทั้งวัดทั้งทั้งศาสนาเลย ก็จะได้พระต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้มาสืบทอดพระาศาสนาไปเรื่อยๆคุณแม่ชวนผมสร้างพระพุทธรูปผมขอผ่อนจ่ายคุณแม่ออกให้ก่อนผลบุญจะเทียบเท่าที่คุณแม่ชวนตอนแรกไหมครับแต่คุณแม่ก็บอกว่าเป็นเงินที่ลูกให้มาครับจากเดิมที่เรายังใช้ผ่อนไม่หมด เ, หมเราก็ยังไม่ได้บุญเต็มที่แล้วได้บุญตามที่เรา ส่วนที่เหลือก็เป็นของแม่ไปก่อนจนกว่าเราจะให้เงินแม่ครบตามที่เราตามที่แม่ได้เอาไว้ก่อนนะมันถึงจะไปบุญของเราได้อย่างเต็มร้อยเห็นบางคนชอบให้อาหารที่เหลือของตัวเองกินแล้วแก่คนยากไร้อย่างนี้ได้บุญไหมครับได้แต่อาจจะเป็นการให้แบบว่าไม่ไม่ดีเท่ากับการให้ของดีๆของที่เรายังไม่รับประทาน อันนี้เป็นเหมือนกับให้ของเดนของที่เราจะทิ้งแล้วบุนมันได้น้อยเพราะความรู้สึกที่เราสูญเสียของไปนมันไม่มากเท่ากับเวลาที่เราสูญเสียของที่ดีไปเวลาให้ของที่ดีนี่เราจะรู้สึกเสียดายมากกว่าให้ของที่ไม่ดีไปการให้มันก็จะทําให้เรารู้สึกชนะความบันนิของเราได้มากกว่ากัน จะช่วยคนที่คิดว่าตัวเองมียานติดต่อกับเบื้องบนได้คือน่าจะป่วยยังไงบ้างครับได้เขาร่างกายของเขาก็เป็นคนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเมื่อ่างกายเใจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีการดูแลรักษาถ้าเขารักษาตัวเขาเองไม่ได้ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปก็ได้ได้ทาบุญกับเขาไปเหมือนกับเขาพยายามจะช่วยคนที่ที่หลงผิดอย่างไงครับอาจารย์ ถ้าถ้าพูดคุยกันได้ถ้าเขาสนใจที่จะฟังเราก็บอกได้แต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่เขาเองทีเราเริ่มจับความโกรธได้เป็นผลจากการฝึกสมาธิใช่ไหมครับใช่เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิมันจะทําให้เราเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราได้ชัดเจนขึ้นเมื่อก่อนที่เรานั่งสมาธิฝึกสติเราจะมองไปจากข้างนอก มองไปที่คนนั้นคนนี้มองไปที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาโกรธเราก็ไม่รู้ว่าใจเราโกรธนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปว่าคนนั้นทําให้เราโกรธเองนนจริงๆแล้วความโกรธมันกิดจากใจของเราสร้างขึ้นมาเองทําอย่างไรให้เราเป็นคนไม่คิดมากไม่วิตกกังวลครับใช้สติฝึกสติให้มากๆบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่บ่อยๆคอยสกัดขั้นความคิด ต่อไปเราก็จะไม่คิดมากแล้วถ้าเราต้องการกําจัดวิตกกังวลเราก็ต้องใช้ปัญญาสนใจว่าเราอยู่ในเรื่องที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ แ, แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดเยียบไปติดกับสิ่งต่ตางๆต้องยอมรับว่าสิ่งต่ตางๆวันใดวันหนึ่งก็าจะต้องเกิดการสูญเสียเกิดการพัดท่าจากกานันได้ขับรถไปสวดมนต์ไปจะมีผลบุญไหมครับ มันจะไม่ได้หมุนเพราะว่ามันอาจจะกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะยับยั้งไม่ทันเพราะฉะั้นถ้าเราขับรถไปก็ให้มีสติในการขับรถเราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราสูญบุญไปขับรถไปด้วยคนที่ทําผิดสร้างกรรมกับเราไว้แต่เราโอโหสี่กรรมให้คนคนนั้นยังต้องได้รับกรรมไหมครับ การที่เขาทําแล้วก็ยังต้องได้รับอยู่เพียงแต่เขาไม่มีเวรกับเราเราไม่มีเวรกับเขาเราไม่ประจองเวรจองกับเขาเขาก็จะไม่ได้รับโทษจากเราแต่เขายังต้องไปรับโทษจากการทําบาปของเขาอยู่ซื้ออาหารตอนเย็นไว้ใส่บาตในวันรุ่งขึ้นจะผิดหรือเปล่าครับถ้าไม่บุดไม่เสียก็ไม่ผิดนะที่เขาสมัยก่อนเขาไม่นิยมทําอาหารข้ามเก็บไว้ข้ามเกินเพราะว่าไม่มีที่เก็บเหมือนสมัยนี้ ทำไมนี่มีที่เก็บร้านเซเว่นเนี่ยมันรู้เขาผลิตมาไม่นูกี่วันกี่เดือนเขาก็ยังซื้อกันมาใส่บาตรกันเยอะแยะเลยถ้าตายมันไม่เสียก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ของไม่ของเสียไปมันก็จะไม่ได้บุญเหมือนกลับจะได้โทษไปทําให้คนนับเขาเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมายัางก็ต้องระมัดระวังว่าอาหารที่เราใส่บาตรนรือให้ขายนี่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพไม่เสียไม่ใช่อาหารเน่าบูดไปให้เขา เห็นธรรมชาติโดนทำลายและสัตว์ป่าต้องตายเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ต้องวางใจเช่นไรครับก็เป็นธรรมดาของโลกทุกคนก็แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองเ น, นื่องคำามึถึงผลเสียหายผลกระชบที่เกิดขึ้นกับผู้ทำความเห็นอย่างไรดีถวายอาหารพระแต่ดูเกินความต้องการจนเสียดายของทาให้ศรัทธา ย, ย่อหย่อนครับ เราต้องมองางนี้ว่าการทําบุญทําทานนี้เราทําเพื่อตัวเราไม่ได้ทําเพื่อผูร้รับผู้รับจะมีอาหารมากน้อยนี่มันไม่เกี่ยวกันการที่เราให้นี้เพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เดี๋ยวจะจ ะ, จะทําบุญไม่ได้คนเหล่านี้ทุกวันนี่มีอาหารเหลือเฟอือไปหมดแต่เราคิดว่าอาหารที่เหลือเฟอือเนี่ยวัดเขาก็ไปแจกทานต่อทําคุณประโยชน์ให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากต่อ แล้วเราก็จะได้มีกจิตกจายที่จะทําบุญไม่เช่นนั้นเราจะไปวัดไหนก็รู้สึกว่าวันนี้ก็มีนิร้อนเหมือยวันนั้นก็มีน้นเหนื่อยเลยไม่ได้ทําบุญทันทีถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนที่ทําจะไปทํากับวัดก็ได้ไปทํากับสถานที่เขาเดือดร้อนที่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้โรงพยาบาลขาดทรัพยากรบริจาคเงินไปให้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาหรือเอาบริจาคเงินไปเอามาจ่ายค่าค่าเงินเดือนค่าอเบถธรรมให้กับหมอกับพยาบาลก็ได้เนี่ยเป็นราประโยชน์ ได้หมดเหมือนกัน แ, แล้วได้ประโยชน์ด้วยไม่สะดวกถอดรองเท้าเวลาใส่บาตจะทําได้ไหมครับหรือถอดรองเท้าแล้วแต่ใส่ถุงเท้าอยู่ครับคือถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าใส่รองเท้ามันก็ถือว่าขาดความเคารพเท่านั้นเองแต่ถ้าถอดรองเท้าก็แสงดงว่าเรามีสัมมาคารวะแเราเคารพผู้ที่สูงกว่าเราเพราะเราไม่ยินในที่สูงกับผู้ที่เขาที่เราเคารพ เราต้องอยู่ที่ต่ํากว่าการใส่รองเท้าหรือถึงเท้านี่ถือว่ายังสูงกว่าผู้ที่มารับของจากเราเพราะท่านไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าจะต้องอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบกินเบียร์ควรจะวางใจอย่างไรถ้าออกห่างก็จะไม่มีเพื่อนแล้วครับขอเขากินน้ําเปล่าได้ไหมขอเขากิ น, น้ำหวานได้ไหมทําไม ศาสนาเหรขาไม่กินเนื้อหมูเราก็ยังอยู่กับเขาได้เวลาไปกินเลี้ยงด้วยกันก็มันเราก็ไม่สั่งเนื้อหมูให้เขากินนะเขาก็สั่งเนื้ อ, อย่างหน่งกินก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ที่ค่านิยมนะคือค่านิยมก็คือว่าถ้าคุณไม่เดือดรัศนะนี่รัศ น, น, นว่าคุณคุณไม่เก่งคุณใจไม่กล้าคุณกินเดือดน้ำหวานนีม่มันใจยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็อายเขาเดี๋ยวก็ถูกเขาถูกเท้าเย่อเยอ ะ, ยอ ะ, อะก็เลยต้อง เดืมไหมกับเขาเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแตศักดิ์ศรีแบบนี้ไม่น่าจะรักษาว่าะันศักดิก์ศรีของคนที่จะตั้ไปสู่การกระทำบาตต่อไปได้เงินที่พ่อแม่ได้มาจากการคอรัปชันโกงประชาชนแล้วนําเงินนั้นมากินใช้ในครอบครัวคนในครอบครัวนั้นต้องรับทางญาติกรรมนั้นด้วยไหมครับไม่ได้รับหรอกในครอบครัวเขาก็ไม่ไเขาเข า, เขาไม่ได้เป็นคนทํากรรมเขาก็ไม่ได้รับผลของกรรม คนที่ขอรับชั้นกองกินน้ำอะไรมาใส่บายพระก็ไม่ได้รับผลกรมจากการกระทบกรรมของเขาทํามใครกรรมันและการที่เอาเงินมามาทําบุญเขา เ, เ, เขาก็ยังได้บุญอยู่ด้วยเห็นไหมว่านบุญที่ได้กับบาปที่ทํานี้อาจจะไม่เท่ากันนั่นเองบาปมัน จ, จะหนักกว่าบุญที่จะได้ยังอย่าทําดีกว่าถ้าจะทําทบุญก็เอาเงของเราทําบุญดีกว่ า, อ ย, าอย่าไปทําอย่าไปทําบาเพื่อเอาเงินนั้นมาทําบุญ เราจะคุ้มเสียหรือจะได้เท่าๆกันได้กับเสียก็อย่าไปทํำดีกว่าบา ง, งคนเห็นคนอ่ก็ทำบุญก็อยากจะได้บุญนัง่งจิว่าทําบุญแล้วได้ไปสวรรค์อยากทำอะไไม่มีบุญก็เลยไปขโมยเงินมาท ำ, นมนทำอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างนี้เพราะมันเท่ากับทําสร้างสร้างทั้งอบายสร้างทั้ ง, ส, งสวรรค์พร้อมๆกันไม่รู้ว่าไหนจะมากกว่ากัน มีท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าสวดมนต์ปฏิบัติทุกวันเพื่อนหายไปหมดแล้วครับก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าการสวดมนต์ปฏิบัตินี่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องใช้เพื่อน เ, เพราะเรามีพการสวดมนต์นี้เป็นเพื่อนแทนเราได้เพื่อนใหม่ก็ อ, อย่าไปเสียใจอันนี้เพื่นที่ดี <c oughs> เพื่อนที่เป็นที่พึ่งได้นยามที่เราทุกยากอุกบ่ ปลูกดอกไม้ถวายพระแต่มีเพลี้ยศัตรูพืชขึ้นทําให้เสียหายควรทําอย่างไรครับก็อย่าทําอะไรอย่าไปทำร้ายเขานอกจากว่าศัตรูพืชเหล่า น, น, นี้เขามีชีวิตหรือเปล่าถ้ามีวิ ญ, ญญาณก็ไม่ควรไปทําร้ายเขาแต่ถ้าไม่เป็นไม่มีดวงวิ ญ, ญญาณก็เราก็สามารถกําจัดมันได้เราก็ไม่รู้เหมกันว่าสิ่งเหล่านี้มีวิ ญ, ญญาณหรือเปล่ามีการรับรู้หรือเปล่า โอนเงินซื้อของใส่บาทโดยผู้ขายใส่ให้แล้วเรากรวดน้ําที่บ้านอย่างนี้ได้บุญด้วยไหมครับใช่พอเราไปปั๊บนี้เราก็ได้บุญนะพ่าเราเสีย เ, เราไป่จากเงินของเราไปนะความรู้ทางธรรมเราควรปฏิบัติให้ฝังไปในจิตใจเพื่อเป็นอริยทรัพย์หากยังไม่ถึงพระนิพพานพบชาติต่อไปปฏิบัติต่ออริยทรัพย์ที่เคยทําไว้จะตามให้ผลไหมครับ ตามไปถ้าเป็นภาเรียะถ้าเป็นอริยาสามัมพนธ์มันจะไม่สูญหายจากใจเมื่อเป็นบุญมันก็ไม่สูญหายเพียงแต่ว่ามันมันหลังจากที่ไปเกิดไปรับไปรับผลบุญนั้นผลบุญนั้นก็จะหมดได้แต่ผลบุญที่เกิดจากการเป็นอริยาสามัมพันธ์นี้มันจะไม่มีวันหม ด, หมดเป็นโสดาบานันแล้วมันก็จะเป็นโซดาบันต่อไปมีแต่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นแต่จะไม่มีโน้นนองน้ำ จากคนที่เคยมีแต่ตอนนี้แย่มากเลยครับขอทางออกครับอาจารย์ก็ต้องยอมรับสัจธรรมการเจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีจรง้างมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับได้เราก็จะทำใจได้ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็จะทุกใจไปเรื่อยๆเพราะเราอยากจะให้ไม่เสื่อมเราจะอยากให้เราได้งนได้ทองกลับคืนมา พบเจ อ, อนกตายตามถนนบอกแบ่งแบ่งบุญให้ไปสุขคติจะไปตามนั้นไหมครับไม่ไปหรอกเนี่ยไปตามบุญตามกรรมของเขาพูดได้แต่มันไม่มส่งเขาไปตามคำพูดของเราศึกษาธรรมะจากหนังสือและพาแม่อ่านด้วยจนท่านรู้ธรรมะระดับหนึ่งและปล่อยวางได้มากเป็นบุญของแม่ใช่ไหมครับเป็นบุญของแม่แล้วก็เป็นบุญของเราด้วย ที่เราได้เผยแผ่ธรรมะให้กับคุณแม่แนะนำธรรมะให้กับคุณแม่ก็เป็นการให้ธรรมะธรรมะการให้ธรรมนี้ชนะการให้ทั้งปวกดีก็ให้เงินให้ทอ ง, องเพราะเงินทองไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ดับความทุกข์ใจได้สร้างความสุขความสบายใจได้ ถ้าเราภาวนาจิตรวมได้บุญที่อุทิศให้พ่อที่เสียแล้วท่านจะได้รับไหมครับก็อยู่ที่ว่าท่านรรับหรือไม่ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามันมันก็น่าจะได้นะเพียงแต่ว่ามันยากแม่แต่พายาท่านก็ยังไม่ท่านเวลาจะอุทิศบุญให้กับแม่ท่านอย่างน้องตามหมาบัเนีท่านก็ยังทาบุญอุทิศเลยถ้ามันมานั่งสม า, าธิแล้วอุทิศบุญให้กับแม่ ต, ตาใช้คําว่าทําบุญเปิดสามแดนโลกธาตสดนโลกธาตุนะชวนให้ญาติพี่น้องมาช่วยทําบุญเพื่อให้กรบดวงวิญญาณต่างๆถ้าหากคุณพ่อเราไม่อยู่แล้วทุกครั้งเราไปทําบุญทําให้คุณพ่อตลอดท่านเขาจะได้รับใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าท่านมารอรับหรือไม่ไงถ้าท่านอยู่ในสภาพที่รับไม่ได้ท่านก็จะไม่ได้รับ ต้องทำสมาธิขั้นไหนถึงจะละความเจ็บปวดได้ครับพอดีเพิ่งเสียแม่ไปช่วงสุดท้ายท่านได้รับทุกเขเวทนามากจนไม่สามารถกำหนดได้และต้องฝึกอย่างไรจนจะเชี่ยวชาญได้เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ครับก็ตั้งขั้นอัปปนาสมาธิจิตลมสงบนิ่ ง, งเฉยเป็นุเมคาแจิตกจะไม่ไม่รู้สึกปวดสบายกับความปวดของร่างกายความปวดของร่างกายยังมีอยู่แต่ใจไม่ไปปวดด้วย ต้องยายาฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆทำทุกวันทำให้มากาถ้าเป็นไปได้ก็หาเวลาไปปฏิบัติแบบต่อเ น, นื่องทั้งวันทั้งคืนตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่งางๆเดียนั่งสมาธิเห็นความคิดไปคิดโน้นคิดนี่แล้วดึงเอาความคิดไปเกาะลมหายใจบางทีรีบและทำถูกทำ ถ, ถูกไหมครับแล้วไม่เอาความคิดไปเกาะแล้วเอาความเอาตัวรู้ไปเกา ให้ไปนูกนอยว่กับลมหายใจก็อย่าไปคิดกับลมหายใจให้นู่เฉยๆนู่นว่าลมกลังเข้านู่ว่าลมกลังออกก็พอเดินออกกําลังกายแล้วท่องบทสวดไปด้วยถือว่าเป็นการทำสมาธิได้ไหมครับก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติทำสมาธิแผ่เมตตามไม่ได้สวดมนต์แผ่ได้ไหมครับ คือการแผแ่เมตตาต่องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการนั่งสมาธิเรื่องส่วนนเราต้องไปเจอคนที่เราต้องการให้ความเมตตาเขาเช่เอาของขขไปฝากเขาให้เขามีความสุขเนี่ยหรือว่าถ้าเราโกรธเขาเราเกลียดเรามีทะเลาะกันเราก็ไปให้อภัยเขาอยากก่าโกรธกันนะไ ม, ไม่ไม่ถือโทงโกรธเคือการให้อภัยกันอย่างนี้เรื่องการให้ความเมตตาหรือแผแ่เมตตา ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการส่วดไม่นั่งสมาธิเมันกินข้าวการที่กินข้าวให้รับประทานใหา้ไม่ใช่มา น, นั่งดูภาพของอาหารแล้วมันจะอิ่มขึ้นมาส่วนแต่ส่วนแต่เมนูวันนี้มีอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ส่วนใบวันตายมันก็ไม่มีการกินอาาิ่มมันต้องรับประทานอาหารการแผ่เมตตาก็ต้องเกิดจากการกระทําการกระทําความดีต่อผู้อื่นเนี่ก็เป็นการแผ่เมตตา เวลาเบื่อมากๆกับงานหนักอยากเลิกมาภาวนาอย่างเดียวแต่ก็ยังผ่อนบ้านไม่หมดจะวางใจอย่างไรดีครับก็ต้องอดทนทาต่อไปหรือถ้าไปรีไฟแนนซ์ได้เปลี่ยนบ้านซื้อบ้านที่เล็กกว่าได้ก็อยู่แบบคนโดนอยู่แบบมากน้อยก็ถ้าทำได้ก็ทำไปจะได้นี่จะได้หมดเร็วขึ้นการทำบุญที่วัดกับทำบุญโรงพยาบาลได้บุญเหมือนกันไหมครับ ได้ถ้าปรมิมาณการให้เท่ากันให้วัด น, น้อยบาทให้โรงพยาบาลน้อยบาทก็ได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์ของโรงพยาบาลกับของวัดต่างกันทำหน้าที่ต่างกันวัดเแี่ยวให้ธรรมะโรงพยาบาลก็ให้การรักษาพยาบาลก็อยู่ที่ว่าเราต้องการประโยชน์อันไหนถ้าเราต้องการให้ประโยชน์จากการรักษาพยาบาลเราก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาล เราอยาต้องการให้มีมีวัดเพื่อที่จะได้ให้ธรรมะกับคนเราก็ไปทําบุญกับวัดเพิ่งฝึกภาวนานได้ไม่นานครับจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเป็นสมาธิแล้วที่ว่าเห็นแสงสว่างสีขาวจริงหรือไม่ครับแต่ละคนก็อาจจะมีเห็นแสงสว่างบางทีก็ไม่เห็นแต่การจำาำมาที่จริงผลนี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่แสงสว่างแต่อย่างใดอยู่ที่ความนิ่งสงบของใจ แลก็เกความสุขใจที่ไม่เคยพบมา ก, ก่อนต่อจากเรื่องเมื่อสักครู่ที่เขาบอกว่าแค่คิด น, นะครับอาจารย์มีคนว่าร้ายเราแล้วเราคิดไม่บาปถ้าเราแสดงออกกับเขาเราบาปไหมครับบาปถ้าไม่ด่ากลับผีก็บาปการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานสามารถอุทิศบุญได้เหมือนการตักบาตรไหมครับ มันไม่ได้บุญขนาดนั้ น, นสิมันไม่เหมือนกับบุญที่เราเกระจากการทําบุญทําทานเราอิ่มเอิบใจใจเราฟูขึ้นมาในการให้ธรรมะนี่เราก็ยังอาจจะรู้สึกเฉยเฉยมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวไม่นิยมที่จะไปอุทิศบุญโดวยวิธีอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีเดียวทา่านคือการทําบุญทําทานอย่าอย่าไปคิดถึงวิธีอื่นเลยใช้เสียเวลาไป บ, บ่าง ถ้าอุทิศได้พระเจ้าหงอยางมาสอนต้องงานนะแต่วิธีอุทิศบุญนี้สามเรียงวิธีเดียวครก็คือทําบุญทําทานอันนี้คล้ายกันครับอาจารย์ตอบแล้วครับบวชชีเก้าวันอุทิศให้พ่อแม่ครับออุทิศได้เน่ยมันจะเป็นบุญหรือไม่ไม่รู้เหมืนอนกันเพราะบวชแล้วเก้าวันมันได้บุญอะไรก็ยังไม่รู้ใช่ไหมได้ความสุขใจเห็นใจหรือเปล่า ทำบุญร้อยวันต้องทำก่อนหรือหลังร้อยวันครับทำบวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอร้อยวันเนียกรรมที่เราทํจาจะแสดงผลในชาตินี้หรือชาติต่อไปครับมันกรรมไม่ได้ทั้งสองสว่สวนบางส่วนก็อาจจะส่งผลในชาตินี้ก็ได้ คำถามที่สองจากท่านสักผู่นะครับบอกว่าถ้าพุโทโธแล้วจิตยังไม่สงบเปลี่ยนไปพิจารณาขันแทนได้ไหมหรือว่าควรให้มีสมาธิก่อนจึงค่อยพิจารณาครับอย่าเพิ่งพิจารณาเลยว่าถ้าเราทำจิตให้สงบด้วยสติไม่ได้จะเป็นพิจารณานี่ยากกว่าเยอะหลายเท่าด้ยกันใส่บาทเก็บทุกวันครับแต่เคยได้ยินมาว่าไม่ควรใส่เงินในบาทพระแบบนี้ถูกต้องใช่หมครับก็แล้วแต่พระมาจากสายไหน บางสายนั้นก็รับเงินได้บางสายนั้นก็รับเงินไม่ได้ก็ถามท่านก่อนก่อนจะสั่ใส่เงินก็ถามว่าเอาเงินใส่บาทได้ไหมครับหรือว่าจะให้เงินจะให้กับใครดีถามได้คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าเวลาสวดมนต์เริ่มแรกตัวจะปกติแต่พอสวดไปเรื่อยๆจะรู้สึกร้อนทั้งตัวและเหงื่อออกแต่ถ้าสวดมนต์ช่วงหน้าหนาวจะทําให้ร่างกายอบอุ่นสาเหตุเป็นพ่อเหตุใดครับ เพราะเวลานั่งร่างกายอยู่ในท่านั่งเนี่ยมันจะร้อนกับเวลาอยู่ในท่านอนข่าอากาศครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนฟงังธรรมอยู่ในเฟซห6 0้อยหกสิบท่านนะครับในยูหกร้อยเจ็ดสิบแปดในคลับเจ็ดในติ๊ t ต k อกห้อยเก้าสิบห้าครับรวมสองพันกับสี่สิบสองคนนะครับวันนี้เริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬิกาสิบามนาที พระอาจารย์ตอบไป117คำถามครับผ ม, มก็ประมาณเท่าเท่ากันสูสีกันทั้งวันก็ดีที่มีคนเข้ามาติดตามได้เยอะก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้พัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นสูงขึ้นต่อไปการสุทนาธรรมหลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจากนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพิพิจารณาไปปฏิบัติ